ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนชั้นเรื่องสินห้าพิสดารโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่6กันยายน2526นพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตาลรับฟังได้นบัตรนี้ เรารำลึกถึงพระพุทธระธรรมพระสงฆ์ลำลึกด้วยกระทํากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมด้วยการกระทําให้มันตรงกันไม่ค้านแย่งกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราเรียกว่าเป็นสมาธิหรือเป็นเอกคตา น, นี้เป็นภาษาฝรั่งนี่ก็ไม่ใช่ภาษาฝรั่งภาษาเอ่อบาลีเป็นภาษาต่างประเทศ เราเรียกว่าเอกคตาเป็นความเป็นหนึ่งเป็นอารมณ์เดียวนะสอดคล้องกันไม่ขานแย้งกันเพราะฉะนั้นท่ า, าทีที่เราเคารวนบไหว้ก็ให้ตรงจิตใจเราก็ให้ตรงคํากล่าวนะั้นเป็นคำกล่าวแปลว่าเราคารวนบไหว้เราจะยึดถือพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่เราจะเปล่งกล่าวนี้เราเคยได้ยินมาแล้วละภาษาที่เรากล่าวพวกนี้พุทธศาสนกชนนี่เคยกล่าวเคยรู้ทวนทั่ว บางทีเราไม่เข้าใจความหมายนิดๆิหน่อยหน่อยะเราก็พยายามทําให้มันตรงแล้วเราจะไม่ไม่ใช่ว่าจะจะมาเปล่งกล่าวแล้วเราจ ะ, จะทําให้มันเป็นจริงด้วยนะั้นก็ค่อยเรียนไปทีละลิตทีละหน่อยฝึกฝนไปทําให้เป็นสมาธิแล้วเราก็จะปฏิบัติตามหลักที่จะสอนไปเรื่อยๆบอกกันนั้อันนี้ไปฝึกไปฝึกไปฝึกไปแล้วมันก็จะเป็นสมาธิา <c oughs> พอลงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่ค้านแย้งกันเราเรียกว่าสมาธิ จะเริญนขึ้นจะเริญนขึ้นเรื่อยๆ เ, เราเรียกว่าสมาธิเหมือนกันเรียกว่าอาธิจิตโดยเฉพาะเราหมายเอาจิตเป็นตัวนำจิตเป็นตัวก้าวหน้าเป็นตัวพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นอเปรงกล่าวธรรม จ, จะอธิบายไปพลางๆเล็กๆน้อยๆคำกล่าวที่จะพูดต่อไปนี้หมายความว่าเราจะนอบน้อมแก่พระสมมาสัพพุทธเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเรานอบน้อมมอบกายมอบใจเนียเความหมายสบายๆความหมายกว้างๆแล้วก็ทําใจอย่างนั้นทําความรู้สึกอย่างนั้นทํากิริยาอย่างนั้นเอากล่าวเป็นภาษาบาลีนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสมมาสมปุทสสะนะโม ตัสสะภควโตอรหะโตสมมาสมปุทธสัตนะโมตัสสะภะควโตอรหโตสมมาสมุทธส คำต่อไปประโยคต่อไปหมายความว่าเราจะยึดถือพระพุทธเป็นที่พึ่งคําว่าพระพุทธคํานี้เดี๋ยวนี้เรามาเข้าใจถึงอิฐหินดินปูนปั้นที่จริงไม่ใช่อิฐหินดินปูนปั้นไม่ใช่พระพุทธเป็นรูปแทนเป็นเครื่องหมายแทนที่จริงไม่ใช่พระพุทธ คำพุทธานนี่มีความลึกซึ้งผู้ใดเห็นพุทธผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมะไม่ใช่เห็นด้วยลูปตาแต่เห็นด้วยญาณทัศนวิเศษเห็นว่าอ๋อนี่เป็นธรรมะนี่เป็นของถูกต้องนี่เป็นของจริงนี่เป็นความพ้นทุกข์นี่เป็นความสบายนี่เป็นความเจริญเราเกิดการเห็นแจ้งในใจนั่นแหละเห็นพุทธพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ไม่ได้ผู้ใดเห็นปูนผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นแท่งปัน้นแท่งกนผู้นั้นเห็นเราท่าไม่เคยตัดไว้แต่เรามาสร้างขึ้นทีหลังในพระพุทธรูปนี่แต่ถ้าเราจะสมมุติว่าเป็นรูปปั้นรูปเขียนรูปแทนคนผู้หนึ่งที่ชื่อว่าเจ้าชายศรีสัชะแล้วก็มาตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าสมมุติว่าแทนแล้วเราก็จะมุ่งหมายเคารพนอบนอบ้อมระลึกถึงพระคุณท่านเป็นเหมือนกับอนุสาวรีก็ได้ ก็ได้แต่อย่าไปหลงมากกว่านั้นอย่าไปเข้าใจว่าเป็นสิ่งบันดรบรรดาลเป็นสิ่งที่มีริ์มีเดชแบบพิฤกพิลืออะไรอย่างนี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้ น, นเพราะเราจะศึกษาคำว่าพุทธะนั้นเป็นคุ ณ, ณธรรมทุกคนจะถ่ายทอดเอาพุทธคุณมาไว้ในตัวเองได้พระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรเราจะหัดฝึกตามจะเป็นอย่างพระพุทธเจ้าท่านเป็นกายวจีมโนกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะเรียนรู้ ก็ฝึกหัดตามเป็นเดินดำเนินตามรอยพระยุโคลบาตให้ได้อย่างนี้เราเรียกว่าถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งจนเราเป็นอย่างพระพุทธเจ้าได้ตัวเราเป็นได้เราก็จะได้พึง่งอันที่เป็นนี่แหละมันอยู่ในตัวเราเนี่ยก็เท่ากับเราพึ่งพระพุทธหรือพุทธคุณคุณความดีอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านมีท่านเป็นท่านได้พึง่งอันนั้นเราก็ได้พึ่งอันนั้นเหมือนกันกับท่านได้พึ่ง ของของท่านอยู่ที่ตัวท่านของของเราอยู่ที่ตัวเราของของใครก็อยู่ที่ตัวคนนั้นคนนั้นแต่เป็นคุณธรรมลักษณะเดียวกันอย่างเดียวกันเช่นว่าเราไม่โกรธมันก็เป็นความไม่โกรธเหมือนกันทําได้จริงๆนะความไม่โกรธของคนนี้ของพระพุทธเจ้าของเราเหมือนกันและเวลาเราไม่โกรธเราสบายมันสบายเหมือนกันจริงๆอย่างนี้เป็นต้นเราไม่โลภสบายนะเราก็มาทําความไม่โลภให้ได้จริงๆ เมื่อเราทําได้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราได้พึ่งสิ่งนี้โอ้ดีเนาะไม่โลภนีดดีแต่ไม่โลภแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ขยันไม่ใช่ความไม่โลภก็ไม่ขยันมันคนละเรื่องนะความขยันต้องขยันเราขยันสร้างขยันสรรขยันทําขยันก่อเสร็จแล้วก็แจกจ่ายเชื่อจานกันนี่เรียกว่าไม่โลภไม่ใช่ไม่ทํางานอะไรเลยไม่โลภแต่จะเอาของเขาอย่างนี้มันโลภแน่แน่นะ างงาเพราะก็จะต้องรู้พวกนี้ลึกซึ้งแต่เราขอมาพุทธปฏิบัติแล้วเราจะได้สิ่งนั้นเป็นที่พึ่งอันนี้ก็ขยายความคําว่าพุทธเป็นที่พึ่งนั้นออกไปยาวหน่อยอนะเราก็มาเปล่งเป็นภาษาบาลีสั้นๆพุทธังสรนังกัจฉามิพุทธังสรนังกัจฉามิอ่าความต่อไปเราแปลกันง่ายๆว่าเราจะขอพึ่งพระธรรม ถ้าทําก็คือคําสอนของพระเจ้าที่ท่านได้รู้ธรรมะแล้วเราท่านก็มาสอนเราว่ามันเป็นอย่างนี้นะทําอย่างนี้สิแล้วก็จะได้สิ่งนี้แหละทำอย่างนี้ถึงจะหายโกรธถ้าได้ความหายโกรธแล้วมันเป็นสุขถ้าได้ความหายโลภแล้วมันเป็นสุขทําอย่างนี้มีศีลอย่างนี้มีหลักการอย่างนี้ปฏิบัติอย่างนี้ก็ต้องอดทนข่มฟืนก็ต้องทําบ้างใช้พิจารณาเหตุผลไปด้วยแล้วเราก็จะได้จะเป็น เป็นได้มีได้แล้วก็ทรงขึ้นที่เราเราก็ได้พึงสิ่งนั้นเรียกว่าพระธรรมพระธรรมหมายความว่าคำสอนก็ได้พระธรรมหมายความว่าสิ่งที่ทรงขึ้นที่ตัวผู้ใดผู้นั้นได้ก็เรียกว่าพระธรรมนะเราจะได้พึ่งสิ่งนั้นกันตามคำสอนพระพุทธเจ้าตามของจริงนะคำสอนจริงๆต้องพิจารณาให้ถูกพิจารณาให้เห็นถูกต้องแล้วเราเอามาปฏิบัติให้เป็นฝึกขัดให้เป็นอบรมให้เป็นนะแล้วเราจะได้พึงสิ่งนั้น อเปร่งกล่าวเป็นภาษาบาลีธรร ม, มังสรนังคัจฉามิมมามอประโยชนต่อไปหมายความถึงว่าเราจะถือพระพุทธพระสงฆ์เป็นทิพพึงก็หมายความว่าพระสงฆ์องค์ใดที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าได้แต่จริงมีคุณธรรมได้มีของดีเป็นที่พึ่งได้พึ่งอย่างสบายจริงๆเราก็ไปหาท่านว่าโอ้ทำอย่างไร อย่างน้อยเรายังไม่รู้ก็ไปถามท่านหรือเรารู้บ้างแล้วถ้าปฏิบัติอย่างไรมันถึงเป็นไปได้มันยากจังเลยหรือมันง่ายทยางงํายังไงจะง่ายท่านเป็นแล้วมันเป็นยังไงไปพิสูจ์ไปดูจริงๆที่ว่าเออท่านเป็นอย่ัง น, นอย่างไงท่านเป็นอริยสงฆ์เป็นสงฆ์ที่ปฏิบัติได้มีได้พิสูจน์ได้เราก็จะได้ไปเห็นของจริงสมัยม พ, ร พ, รพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทําได้พภาษาวกสมัยพระพุทธเจ้าก็ทําได้สมัยนี้พระสงฆ์ที่มีได้เป็นได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้ามีจริงหรือโอ้มีจริงไปติดตามดู ไปเรียนดูไปพิสูจน์ดูเราก็จะได้เป็นได้เหมือนอย่างท่านเป็นอีกหัดตามท่านโอ้ได้เราก็ได้เราก็เป็นสงสาวกแท้ไอท้ที่ตีทะเบียนมาตั้งแต่พ่อแต่แม่เฉยๆ ว, ว่าเราเป็นพุทธเป็นพุทธหนึ่งย่งหรอกเรายังไม่ได้เหตุได้ปัจจัยอะไรเรายังไม่ได้ความเป็นพุทธศาสนิกแท้และพระยี่ห้อเท่านั้นเองแต่ข้างในกลวงๆไม่มีอะไรในกอไผ่ไม่มีอะไรโบ๊ะโบข้างในมันไม่มีมันมีแต่เปลือกติดยี่ห้อไว้เฉยๆ ว่าพุทธเพราะเราต้องมาทําเนื้อให้มีถือเนื้อให้เป็นเราจึงจะเป็นพระสงฆ์หรือเป็นสาวกพุทธเจ้าสง์ไม่ได้ไหมายความว่าต้องมาบวชโกนหัวเท่านั้นโสดาบันก็เป็นสง์หัวดําหัวขาวเป็นคารวะอยู่บ้านอยู่เรือนนีมีคุณธรรมจริงก็เป็นพระโสดาบันได้ได้ว่าพระพระโสดาบันพระสกิทาคามีอย่างนี้พระแท้ไอ้ที่มาบวชสมมุติสงข์ขึ้นมาแต่ไม่ได้เป็นแม้แต่พระโสดาบันก็เป็นเขาก็เรียกว่าสมมุติสง์ เป็นพระสมุติสมุติเป็นสมมุติติพระเท่านั้นเองไม่ใช่ไม่ใช่พระแท้พระแท้คือผู้มีคุณธรรมจริงนะเรามาเรียนฝึกขัดเอาให้ได้แล้วเราก็จะได้สืบสารสาศาสนาไปจนกว่าจะได้มาบวชนั้นนะมันเป็นของจริงทั้งเนื้อในเนื้อหนอกก็เป็นพระแท้แท่รูปอ ว, ว่าสมุติจะเป็นพระแต่เนื้อในก็ไม่ใช่สมุตินะเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นพระทั้งนอกเป็นพระทั้งในอย่างนี้เรียกว่าอริยสงฆ์แท้ อเปล่งกล่าวเป็นภาษาบาลีสั้นๆสังฆ์สรนังคดฉามิอ่าเปล่งกล่าวเป็นภาษาบาลีอีกสองเที่ยวทุติยมปิพุทธังสรนังคดฉามิทุติยมปิธรรมังสรนังคดฉามิ ทุติยัมปิสังขังสนังกัจฉามิทุติยัมปิสังขังสนังกัจฉามิตติยัมปิพุทธังสนังคัจฉามิตติยัมปิธรมังสนังกัจฉามิ ตัติยัมปิสังขังสรนังขจามิติสเรณะคัมมนังนิตตังอจเรญธรรมญาตโยมทั้งหลาย วันนี้อาตมาตั้งใจว่าจะเทศเรื่องศีลเราไม่ได้ฟังศีลเราไม่มีาการขอศีลให้ศีลเหมือนวัดอื่นแต่อาตมาขอยืนยันว่าเราได้ให้ศีลหลักปฏิบัติใดแม้จะเป็นเกล็ดเป็นแบบอย่างเป็นเกล็ดๆไปแต่ก็เข้าอยู่ในข่ายว่าเราจะสร้างเมตตา คือสร้างธรรมเมตตาหรือเมตตาทําให้เกิดในตนเช่นอาตมาพาพวกคุณมาไม่กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยพยายามเรียนรู้สอนให้เกิดการเอ็นดูเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายที่เป็นสัตว์โลกทั่วไปไม่ได้บอกว่าตจงมาปานาติปาตาเวรมนีศิขาไม่ต้องท่องแต่คุณมาถึงก็มาฟังบอกเอ๊ะที่นี่เขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินสัตว์กันนะ แล้วคุณก็ไปประพฤติปฏิบัติที่บ้านนั่นแหะคุณได้ปฏิบัติศีลแล้วไม่ต้องมานั่งขอมาถึงกับ ม, มายัางพันเต้เฉยๆแล้วก็ไม่ปฏิบัติกันจริงแต่คุณกลับไม่ต้องขอแต่ได้หลักนี้ไปเลยพูดอย่างงี้ภาษาไทยว่าเออไม่กินเนื้อสัตว์เลกลับไปบ้านคุณก็ไม่กินหัดอ ด, ดถัดรสเห็นไก่เห็นเป็ดเห็นอะไรจะได้คุณก็เคยติดเนื้อมันนังมันกลิ่นมันรสมันคุณก็ลดลงเอต่อไปทีหลังคุณเห็นไก่มันวิ่งวิ่งคุณก็ยิ้มกับมันได้อ แต่ก่อนนี่เพื่อนอะไรกันเรามองหน้ากันมันยากเลยนะตัดคอลงหมกแกงซะดีไหมน่ะนี่มันผิดกันนอะอาศีข้ออื่นๆก็เหมือนกันนะในการที่จะไม่โลภเราพยายามหัดให้หัดมาสละคุณมาที่นี่ถือหมกข้าวหมกแกงมามีข้าวหมอแกงหมอมารวมกันเรามากินเลี้ยงนี่เรามากินเลี้ยงกินเลี้ยงอย่างมีธรรมไม่ใช่กินเลี้ยงแบบจะต้องไปที่ แอทอยู่บนห้องโรงแรมห้องมิง้งไปห้องไม่รู้อัตมาไม่เคยไปแล้วนะเขาว่าได้ยินว่ามันมีห้องชื่อห้องห้องยางนั้นห้องอย่างนี้ชื่อห้องในโรงแรมก็ตั้งให้มันรู้ๆชวนใจมันเป็นเล่กลในการที่จะชักชวนให้คุณไปอุดหนุนแล้วเขาก็เลียยัดคุณเลี่ยทรับคุณเล่นแพงๆด้วยนะแล้วยิ่งไปมีค่านิยมแปลกๆซะด้วยนะยิ่งแพงยิ่งโก้โวย ยิ่งแพงยิงโก้โวยกระเป๋าเราก็แห้งสิโวยก็ไปเรื่อเป็นแบบนั้นเป็นโดนเขาหลอกเขาล่อเอาแต่เราก็ลงมันเป็นคุณค่าว่าแปลกอาตมาว่าถ้าจะมาอวดโก้กันแล้วล้วก็อวดล่ำอวดรวยอวดให้เขาถูกหลอกควักกระเป๋าไปมากๆมันไม่โก้ลอก่อควักเองเลย ไม่ต้องมาถูกหลอกหรอกให้แก่คนยากคนจนที่ถูกต้องคนที่ควรได้รับอะไรๆไม่ใชใ่เขาไปหลอกลอก่อเอาไอ้ น, นี่มาแลกเปลี่ยนแล้วคุณก็ไปจ่ายอัดแพงๆแล้วคุณนึกว่าโกถูกหลอกเขาล้วงกระเป๋าไม่รู้ตัวว่าโง่นั่นมันโง่แต่ฉลาดจริงๆแล้วแล้วเราก็รู้ทั้งรู้เลยว่าให้เกานั้นนี่เสียสละไม่ต้องมาล้วงกระเป๋าหรอกเราล้วงให้เองเลยเนี่ยเอาแจกไปเลยนคนนี้สมควรได้คนนี้สมควรทํากิจการอันนี้ไม่พอเลยเอ้าเอาไปให้เอาไปอุดหนุนช่วย ว่าดีนี่ทำให้แก่สังคมทําใหค้คนนั้นคนนั้นคนนี้ดีหัดให้อย่างนี้คุณไม่ต้องมานั่งท่องอธินาธานาเวรมณีไม่ต้องอะคุณได้ปฏิบัติตัวแท้เลยอ่าเป็นตบัดไปปฏิบัติปป ต, ตัวไม่โลภอ่าจะเป็นสัมมาอาชีพใครมีอาชีพให้ให้ให้ใหงนี้คนนั้นบรรลุสูงสุดมีแต่ให้ตาพื้นเลยสร้างสรรค์ขยันเพียรอยู่แล้วก็แจกให้เรื่อยเรื่อย ทำไโลกอย่างนี้มันจะสนุกขนาดไหนมีแต่การแจกแจกกันนี่นะทำแล้วก็แจกจ่ายเพื่อฟายมันสนุกนะทุกวันนี้มันไม่สนุกไม่ทำแล้วแย่งเขาด้วยนี่มันทุกตรงนี้ไม่ทำแล้วแย่งเขาด้ว ย, ว ย, วยใช้เล่ห์ใช้เหลี่ยมที่จะจะล้วงออกมาให้แก่เราให้แกัเราแล้วไม่ค่อยทําทําน้อยแต่จะเอามากๆให้แรงงานนิดหน่อยต้องให้ค่าแรงแพงๆนะ หัคิดชั้นชสูงนะฟรีมือฉันนี่ชั้นหนึ่งเลยนะขีดนิดเขียนหน่อยเนี่ยแพงนะเขียนไม่ตัวหนังสือบรรทัดละเนี่ยสิ บ, บาทนะบรรทัดละห้าสิบน ะ, ะคุณค่าชั้นฟรีมือชั้นหนึ่งนะเนี่ยมันมันตั้งค่าตั้งราคากันอย่างนี้คนที่ยิ่งเก่งแล้วยิ่งตรงโอ้ยให้ฟรีอาตมาในคิดเขียนก่อจะได้แต่ลรบรรทัดบางทีงี้โอ้บางทีลบแล้วแก้แล้วแก่อีก ให้ดีเป็นคำเขียนเป็นข้อเขียนที่มีค่ามีประโยชน์จริงๆทำยังไงมนุษย์จะได้เข้าใจทำยังไงมนุษย์จะได้ฟังสิ่งที่รู้แจ้งเห็นจริงคิดเขียนไปให้ไม่คิดค่าแรกเลยไม่ได้คิดค่าแรกไม่ไดอยากได้ค่าแรกเหมือนเมื่อก่อนนี่ต้องคิดแบบโลกๆเขียนไปชุยๆเลยเอาเงินให้เงินเป็นแผ ง, แผงมายิ่งดีมันเป็นการขาดทุนแต่ก่อนนี่เคยขาดทุน ขาดทุนนะเราไปเอาเปรียบเา้าแล้วเราไปแลกเอาค่าแรงงานของเรามามากๆขาดทุนเราแต่โลกเขานึกว่ากําไรก็ได้ตัวเงินแลกมามากๆในกำไรฟังตรงนี้ให้ดีทฤษฎีกําไรขาดทุนของอารยะชนแท้ถ้าฟังตรงนี้ไม่ออกนะคุณก็ทําตัวเองขาดทุนอยู่ทั้งตลอดชาติอีกกี่ชาติก็ทําตัวขาดทุนอยู่ตลอดชาติคุณเห็นได้เดชปัญญาคุณยิงจะเห็นคุณเห็นไม่ได้คุณนึกว่า เนี่ยเอาของน้อยๆเป็นแรกเอาเงินมามากๆนี่นี่คือกําไรคุณก็ทําอย่างนี้อยู่ตลอดชาติและอย่างนี้แหละสังคมเดือดร้อนคุณเชื่อไหมเชื่อไหมเชื่อไหมเห็นแล้วนะแต่ก่อนคุณก็ทําอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยู่บ้างเราเข้าใจแล้วเราก็จะเปลี่ยนเราชักกระดากเกิดฮิริเกิดโอตประนะนี่เราก็ทําศีลข้อที่สอง สัมมาอาชีพของเราเปลี่ยนนะแต่ก่อนสัมมาอาชีพของเราเราก็บอกเราไม่ได้โกงเขานี่เราคิดค่าแรงแพงๆเขาก็ให้เราอ่ะเราผลิตสิ่งกันนี้ขึ้นมาบอกของอว oh, ดีนะว่านี่แต่แทบเปล่าไม่ดีเรกไปจ้างเขาโฆษณาต้องบวกค่าโฆษณามาคิด ข, ขาของอันนี้แพงๆโอ้ oh, จ้างเขาจังเลยนะของนี้ลงทุนหแต่ไปจ้างเขาโฆษณา10เลยต้องมาขาย20นะ ขนะทุนมันจริงๆ5เท่านั้นนะแต่ไปค่าจ้างโฆษณาเนี่ยเขาต้องไปโฆษณาให้บ ด, ดีนะเอาจางวิทยุมังจังนั่นื้อพิีม์มังจางโทรทัศน์มากมั่งต้องมาบวกสิกัคุณจ้างเขาแล้วคุณไม่มาบวกได้ไงมันเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งเหมือนกัน15แล้วค่าของนี่สิแล้วทีจริงมันไม่ดีเราให้เ ข, า, ข, ขาโฆษณาไม่รู้คุณจะไม่เหลี่ยมหลอกยังไงกันตามใจนะให้สําเร็จผลให้เขามานิยมกันแล้วกัซื้อข อ, ของเราไปกันแล้วกันตั้งราคาบวกเอากำไรอีก5เป็น20 และคุณว่านี่ของดีของนี้คุณได้กําไรปราวคัดทุนที่จริงของนี้5ไม่ต้องโฆษณาเลยทุนรอน5นี่หมายความว่าของราคาวัสดุมันอาจจะ3ค่าแรงอีกสองค่าแรงเราต้องคิดด้วยจริงๆค่าแรงนี่แต่อย่าคิดแพงค่าแรงของเราสองเราขาย5นะค่าวัสดุ3ค่าแรง2เป็น5เราขายไปห เราก็เจ้าแล้วขายห้าในเจ้านะเราได้เงินมาห้านี่ของเราก็ให้เขาไปนะเขาก็ให้ห้ามาแล้วนี่ศูนย์และเราไม่มีคุณค่าไม่มีประโยชน์อะไรในโลกเลยฟังซ้าๆทฤษฎีกำไรขาดทุนของอารยะชนนี่ฟังซ้าๆเจ้าแล้วคุณไม่มีบุญคุณคุณอะไรแต่ถ้าคุณไปขี้โกงเขา อ, อีกที่จริงเนะี่ยทุนมัน3ค่าแรงสองคุณบอกเฮ้ยต้องเป็นร่อสักว บวกก ำ, กำไรนึกว่าได้อีกตั้งห้านี่คือกำไรไปขายราคา10คุณเป็นหนี้เข้วห้าฟังให้ดีนะแต่โลกก็มองว่ากำไรก็ได้มาตั้ง10น่ยกำไรนิงน่งๆน้องๆเลยตั้งอีกหนึกว่านี่คือกำไรเปล่าคุณไปเป็นหนี้เข้ามาคุณไปโกงเข้ามาได้ไปหลอกไปเล่ไปอะไรเข้ามาก็ตามใจคุณไปเอาเปรียบเข้ามา ถ้าโดยสัจจาเรารู้ตัวเราไม่ได้คุณให้มาสิบไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมเป็นหนี้อยู่อีกตั้ง5้าเอาคืนไปไอ้นี่ราคามัน5้าตอนั้นเอา5้าค่าแรงเราสองค่าแรงนี่ของเราฟรีนะของเราที่จริงของเราเองอ่ะแต่มันมาบวกลงไปในผลผลิตเราก็ได้แล้วนี่ค่าทุนสาก็คืนแล้วแล้วเราก็ได้กินได้ใช้คิดค่าแรงยิ่งเราไปคิดค่าแรงเขาหนึ่งของนี้มันคิดค่าแรงสองนี่สมมุติว่ามันสมดุลตามราคาตลาดไม่ถูกไม่แพง แต่เรายิ่งไปคิดหนึ่งขายของนี่ราคา4ทุนมัน3ขาย4ี่ที่จริงค่าแรงจริงๆมันราคาตลาดนี่ราคาประมาณพอดีนี่มันสองแต่เราคิด4เราขายเอาค่าแรงบาทเดียวเอาค่าแรงหนึ่งเท่านั้นอย่างนี้เรากําไรนิ่งๆิหนึ่งฟังให้ดีนะ <c oughs> คุณกําไรตรงไหน กำไรพ่อแรงของเรานี่มันได้ให้แกประโยชน์แกโลกเขาแล้วฟรีเป็นหนึ่งเพราะเราไม่ได้คิดคาแรงถ้าคุณแลกมาห้าบอกแล้วมันเจ้าแล้วนี่คุณไม่ได้เป็นประโยชน์กับโลกเขาเลยคุณแลกเอาไอ้สิ่งแลกเปลี่ยนมาศูนย์แล้วค่าศูนย์แล้วคุณมีค่าเป็นศูนย์คุณไม่มีคุณค่าอยู่ในโลกนี้เลยแต่เราเองเข้าใจผิดเรานึกว่านะั่นของของอัวอัวอะไรแลกมาแล้วหมดแล้วห้าแต่คุณก็ไปนั่งจํานี่แหละเราเรียกว่าเที่ยง มีตัวกูของกูเที่ยงนั่นยังของกูของขอโทษใจว่าหยาบของมึงที่ไหนก็แลกมาแล้วห้าคืนมาหมดแล้วใช่ไหมลบหนี้มาหมดแล้วฟังให้ดีนะทฤษฎีอันนี้ต้องฉลาดต้งจะเข้าใจแล้วคุณจะรู้เห็นอ๋อสัจธรรมเป็นอย่างนี้เหรอแล้วโลกมันเป็นอย่างนี้ที่ไหนโลกมันโอ้โหขี้โกงกันสะบัดท่อเลยใช่ไหมคุณฟังแล้วคุณจะเห็นโลกอ๋อมันทุกร้อนแบบนี้เองมันไม่รู้สัจธรรมแบบนี้เอง มันถึงได้เบียดเบียนกันแย่งชิงกันแตกร้าวกันทะเลาะเบาะแวงกันเพราะความไม่เข้าใจสัจธรรมอย่างนี้เองเพราะถ้าเราเองเราเป็นนักเสียสละจริงแล้วเราก็เสียสละเอาที่แรงงานของเราเราต้อให้ฟรีได้ส่วนต้นทุนนะวัตดุนะเอาเถอะเราต้องซื้อหามามันจริงๆแหละเราก็ต้องจําเป็นแต่แรงงานเรานี้ยิ่งผลิตได้มากกว่านี้อย่าว่าแต่แค่สองเลยวันหนึ่งเราสามารถสร้างแรงผลิตของเราแรงงานของเราสร้างได้ถึงสิ เรามักน้อยขอคืนมาเรากินให้ได้น้อยใช้ให้ได้น้อยเรากินแค่สองก็พอเราก็มีประโยชน์ให้แก่โลกอยู่ทุกวันวันละ8ปดวันละแวันละแปดกไรผู้นี้อยู่ยังมีค่ามีประโยชน์คนนี้ควรเลี้ยงไว้พอเลี้ยงไว้เขาก็ผลิตให้แก่โลกแต่คนที่ลงทุนไป3มลงทุนไปหไปโกงอราคามา10ไปโกงอราคามายีสคนนี้ยิ่งอยู่ในโลกโลกยิ่งขีดหายใหญ่เลย แล้โลกมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างคนงทีหลังนี่ใช่ไหมที่อาตมาอธิบายอย่างนี้ไม่เป็นอธินนาทานคุณไม่ทําทานคุณไปคี้โกงเข้ามาคุณลักขโมยด้วยเล่กลปัญญาฟังให้ดีนะอธินาทานเนี่ยลักขโมยเข้าด้วยเล่กลปัญญานี่เรียกว่าปัญญาขี้โกงฮะเพราะเราต้องซื่อสัตว์เราต้องเข้าใจสัตว์จะทำและทําตนเองให้ซื่อสัตว์ เราจะได้เป็นคนที่แลกเปลี่ยนก็แลกบ้างยิ่งไม่ต้องแลกเปลี่ยนเลยสิ่งนี้อาตมาอย่างนี้เป็นต้นนะอาตมาทำหนังสือให้คุณทุนก็ไม่ใช่ของอาตมาคนก็ให้มาทุนนะ่ะคนก็ให้มาแรงงานของอาตมาทั้งคิดทั้งเขียนทั้งเรียงทั้งพิมพ์อะไรพับเก็บเสร็จเรียบร้อยเป็นเล่ม ให้ไปฟรีเลยก็ทุนก็ไม่ใช่ของอาตมาค่าแรงอาตมาก็จ่ายฟรีเลยหม่สบมทมดปกตหหววมีแถมววด้วยอีกเดี๋ยวนี้สมัยใหม่สบมก็สบายมากทมดก็เรื่อเรื่องธรรมดาปคตปกติปกติหหหายห่วงวววอยอ สบายมากธรรมดาปกติหายห่วงโวยイโวイเขานิยมกันเล้วกกินโวยโเดี๋ยวนี้อาตมาก็พูดด้วยบ้างอย่าหาว่าหยาบเลยนะมันคำสมัยเขาอาตมามันศิลปะร่วมสมัยเขาใช้กันก็ใช้บ้างเพื่อที่จะให้เกิดการฟังแล้วก็เออมันชวนให้ฟังได้เหมือนกันก็ฟังไปไม่ใช่คำหยาบไม่ใช่คำที่ไปพูดแล้วก็มันเสียหายอะไรมันไม่เสียหายมันทําให้เราเข้าใจดีด้วยอ่ อาตมาปรุงคําปรุงความเท่านั้นเองซื่อให้คุณเข้าใจเพราะเราสบายสรุปเอาความอันนี้ก็หมายความว่าจะให้คุณเข้าใจเท่านั้นเองว่าอาตมาให้ก็สบายไม่ต้องห่วงไม่ต้องไปคิดและทําแล้วก็บอกเออจะไปขายได้ทุนไหมได้กําไรไหมถ้าเผอว่าากจะได้กําไรมากๆต้องไปโฆษณาหลอกเขาให้เขามาหลงมากๆนะให้เขามายินดีนิยมมากๆเราจะได้บวกราคาแพงๆเข้าไปทําโฆษณาโฆษณาก็ใหม่เก่งว่าคนก็ใหม่นิยม ไอ้เจ้านี้ทําไงวะอย่างเงอย่างนี้ยุ่งไม่หมดเลยไม่ตองเลยหมดห่วงทุกอย่างเผยแพร่ไปได้ง่ายๆฟรีโลกนี้นิยมการกระทํากันฟรีๆกินฟรีใช้ฟรีแรงงานฟรีอะไรฟรีฟรีฟรฟรีฟรีนี่มันแปลว่าอิสระนะอิสระเสรีโลกนี้นิยมอิสระเสรีฟรีฟรีฟ อย่างนี้เป็นความสูงสุดของอัินาธานฟังให้ดีนะนี่อธิบายศีล น, นะอย่าเข้าใจว่าเป็นเรื่อง อ, อื่ น, นๆเรื่องเลอะเทอะอะไรไนี่อธิบายศีลเพราะในเรื่องที่ยาวคายยังจะไปต้องของคนอื่นเขาสร้างของคนออกกเขาออกแรงของคนอื่นเขาผลิตทำยังไงว่าจะโกงทํามครจะออเอาเปรียบมันมาได้วะให้ได้ราคาถูกๆนี่น้อยนานี่ปลูกที่สวน ก็อุตสาห์ใส่เคงมาก็มาขายโท่ค่าแรงก็แทบตายค่าปุ๋ยก็ทนนั้นทนนี้นะปลูกออกมาเอามาขายลูกละ50าสลงึงนึงไม่ได้เหรอโท่หนึงก็แสนจะไม่ได้คุ้มทุนแล้วนะบางทีหามมาจากสวนมาขายหามผีตกป่าชา้าแหมต้องหามกลับอีกทอเลนเหนื่อยแสนเหนื่อยเอาถือว่าขาย40ก็ขายเถอะที่จริงขาดทุนแล้วนะ ยีสิบวันนี่คำแล้วมืดแล้วเอาไปก็เน่ามันก็จริงจริงอ่ะมขูได้คมคูเอาเบียนเบียนได้เบียนเบียนนาโถห้าโถสิบโถโถไม่เห็นใจกันบ้างเลยอาจารย์นนี่บอกว่าโถถ้าพูดว่าคนชาวสวนชาวไร่ชาวนาเขาเอามาขายเองอย่าไปต่อเขาเลยแต่ถ้าพอค้าต้องดูหน้าหน่อยนะพวกตัวกลางพอคานี่สสำคัญ บางทีก็ เ, เอามาให้ร้านตัวเองนะตัวไม่ได้เดินทางไปเอาเลยก็าามาให้ที่ร้านฝากที่ร้านขายบวกจังเลยนี่บวกค่ากาไรไม่ได้ออกแรงเลยโทรค่าวางร้านโทคิดเธอสักเล็ก ๆ, ๆ, ๆน้อยๆก็ไม่ว่าลราบาทหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็เออบางทีสลึงหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ยังดีเปล่าคิดค่าวางร้านร้านค่าตรงร้านชั้นหนึ่งคนนิยมคิดบวกแพงเลยพวกนี้เป็นหนี้ทั้งสิน้น แล้วก็ไม่ได้อยู่ในหลักของอธินาทานไม่ได้เกื้อกูลมีแต่โลภโมโทสันขี้โกงไม่ได้ลักขโมยตรงๆหรอกนะเพราะฉะนั้นไปลักขโมยตรงๆนี่พูดไปทําไมมีไปเอาของเขามาป้นเลยจี้เลยโอไอ้อย่างนี้มันใครก็เข้าใจอยู่แล้วถ้าคุณยังทําคุณอยู่ก็ไมพูดอะไรได้ไดอย่างงี้ไม่ได้พัฒนาความรู้ไม่ได้พัฒนาว่าเราจะปรับปรุงตัวเองอย่างไรแต่คุณยังทําอย่างที่อาตมาพูดอยู่หรือเปล่าถ้าคุณทําอยู่ยังผิดศีลอธินาทาน ปรับปรุงโลไม่เดือดร้อนเพราะว่าขโมยขจรตรงๆหรอกขโมยขจรน่ะมันเลือดร้อนอยู่แล้วจริงมันก็มีคนจํานวนหนึ่งที่มันคิดโกงอย่างนั้นโหดร้ายอย่างงั้นใครก็รู้ไม่ต้องเรียนมากไม่ต้องอาศัยสถาบันที่มีปัญญาที่จะสอนก็รู้อยู่แล้วขโมยขจรป้นจี้สงสัยอะไรวะมรุทุจริตใครต้งสงสัยไหมหนูคนป้คนค น, คนจี้นี่เป็นคนทุจริตหรือเปล่าเออโ่ ถามเด็กก็นี่ก็ได้มันก็รูอยู่แล้วแล้วจะมานั่งอุตส่าห์เสียเวลามานั่งฟังธรรมฟังธรรมไม่ของแห่งๆแก่นั้นสอนทุกทีอย่าขโมยของไม่ใช่ของเราอาธัธนนาทานาเวรมณีหรืว่าจอยอะไรก็อย่าขโมยขอ ง, ของคนอื่นนะที่ไม่ใช่ของเรานะพอพอทีอย่างนี้คนมีปัญญาแล้วรู้แล้วเอาให้มันสูงขึ้นให้มีอธิศีนหรือให้มีความหมายใจลึกซึ้งขึ้นบ้างอย่างที่อาตมาอธิบายนี้ คุณก็ได้รับปัญญาแล้วคุณก็ไปพัฒนาสิอย่าที่อาตมาว่าอย่าไปทํานะซื้อของเจ้าสวนรูน้นี่ว่าเจ้าสวนเอามาเองเลยนี่ลูกนี่ตลาดชรวสวนห้าสิบเราเห็นมองไปที่ตลาดโต้ที่ตลาดมันขายแพงขนานี้อีกนี่ของสวนเองแท้ๆอย่าไปต่อเลยรีบจ่ายเลยแม้มันคุ้มทุนหรือเรานะ่ยมันคุ้มเหนื่อยไม่เล่าเอาไป75็าเถอะไม่อาตมาจยากเห็ น, เ ห, นเห็นโลกแบบนี้เจ้าของสวนมาขายเองแล้วเอามาเราบอกลูก50บ คุณมองแล้วรู้แล้วว่าโถมันถูกกับตลาดเขาแล้วเอาไป75กันแล้วกันนะโถสงสารแกก็โง่คงยังไม่อยากข่าบกับเพราะว่าไปที่สวนมันก็มีอยู่แล้วอีกกลับไปนะเธอคนไปทําไมสวนแกก็ยังเหลืออยู่เพราะเอาเถอะไป75ถ้าโลกมีน้ําใจอย่างนี้นะอาทินนาทานสมบูรณ์อย่างนี้นะเป็นคนที่ทําทานเป็นคนที่ไม่โลภโมโทสันไม่ไปโกงไปกดไปโกงเอาของคนอื่นมาอย่างนี้โลกสมบูรณ์นะ อันยกตัวอย่างให้ฟังเราอยากเห็นโลกที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเห็นใจกันไม่ใจจะว่าด้ยิ่งได้ทียิ่งเอาเปรียบเอารัดยิ่งได้เปรียบยิ่งเอาเปรียบยิ่งได้เปรียบยิ่งเอาเปรียบเราไม่อยากเห็นเราไม่อยากเป็นเราไม่อยากมีและเราก็อยากทําเมื่อเราทําคนหนึ่งชวนกันบอกกันคนอื่นเห็นเป็นความดีอันนี้ไม่ต้องไปอ้างบุญอ้างสวรรค์ที่ไหนหรอกเป็นความดีเป็นกุศลกรรมเป็นบุญแท้ทําเดี๋ยวนี้ดีเดี๋ยวนี้ เรไม่ต้องไปบอกว่าเฮ้ยสุวรรณจดนะนี่ว่าทาบุญแล้วว่าทากุศลแล้วไม่ต้องไปบอกว่าสุวรรณมันจดแง่สุวรรณมีหน้าที่อยู่แล้วจะมีชื่อนายสุวรรณจริงหรือเปล่าเป็นลูกน้องของออมัจจุราชมาเงิ น, ก, น, นก็ไม่ต้องไปนึกว่ามันมีจริงหรือไม่มีจริงแต่มันเป็นตัวดีจริงไหมเป็นคุณธรรมจริงไหมเราจะมาเรียนคุณธรรมแล้วเราจะเป็นคนที่มีคุณธรรมอย่างนั้นใช่ไหมนี่คือศาสนาสอน ถ้าเราเรียนคุณธรรมและทำคุณธรรมนั่นจริงเราก็สำเร็จผลแล้วทาเดี๋ยวนี้กรรมาศาสนาพุพทธพุธิสอนเรื่องกรรมการกระทําทําเดี๋ยวนี้ถูกตรงตามที่ว่านี้คุณได้เดี๋ยวนี้จะจดหดรือไม่จดนายสุวรรณจะละหน้าที่กับมจุฬาเล่นงานเองเรื่องของเขาแต่โดยแท้จริงมันเป็นแล้วมีแล้วดีแล้วดีแล้วล้วทาดีอันนี้ให้ได้ อธินาทานเนีมีแง่มุมที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกนะแต่วันนี้ก็พูดแค่นี้บ้างนะเราจะมารักษาศีลมาปฏิบัติสีมาฝึกอย่างนี้มาเรียนรู้เข้าใจด้วยปริญัติภาษาเห็นจริงเข้าใจแท้แล้วไปปฏิบัติถ้าเข้าใจเฉยๆแล้วก็ไม่ไ ป, ไปดัดปฏิบัติตามนี้คุณยังปฏิบัติขี้โกงขี้เอาเปรียบอะไรเคยๆชินๆยังไงก็เอาอยู่อย่างเก่ายังจะค้าขายยังจะทําเอาเปรียบเอารัดอยู่อย่างเก่าคุณก็ ไม่ได้เท่ากับฟังเป็นแถมความรู้เฉยๆแต่ไม่ทำตามไม่สมฤทธิผลจะมีบุญจินสรสมิผลก็ต่อเมื่อรู้แล้วก็ทำตรงทำลงตัวทำถูกต้องตามที่เราเข้าใจมันทำยากก็ต้องฝึกหัดเข้าฝึกขัดเข้าจนเป็นจนจริงทำแล้วคุณก็เห็นผลด้วยว่าโอ้ทำอย่างนี้ได้นี่ดีเนาะมีคนเคารพนับถือเกิดมีคนเคารพนับถือจริงนะจริง ถึงเขาจะไม่เคารพนับถือเขายังเข้าใจไม่ได้แต่เราทำอย่างนี้ดีจริงหรือเปล่าดีจริงแน่แล้วมั่นใจทําอยู่เลยอาตมาพาพวกคุณมาไม่กินเนื้อสัตว์เขาดา่าอาตมารอบบ้านรอบเมืองอาตมาก็ไม่ถอนไม่ถอนอะ่ะอาตมาก็พาคุณกินอย่างนี้คุณไม่มาช่างคุณบล่ายคนอื่นคนไหนที่เขาดา่าแล้วก็บอกไม่เห็นดีด้วยเขาไม่มาก็ช่างเขาเถอะอาตมามีเหตุผลเยอะแยะในเรื่องอธิบายเรื่องไม่กินเนื้อสัตว์นี่ว่ามันดียังไงช่วยเศรษฐกิจช่วยสุขภาพช่วยช่วยสร้างเมตตา ช่วยตัดกิเลสนี่ตัวร้ายมันช่วยตัดกิเลสจริงๆมันอดง่ายอยู่ที่ไหนล่ะแม้เคยติดไก่ย่างมันเคยเคยกินมหม่ผ่านร้านไก่ย่างนิ่ก็ปรุงมะแฮกกลิ่นโอ้โหน้าําลายแทบจะรับไว้ไม่ทันมันจะไหลคุณก็ต้องมาหัดละกิเลสเหล่านั้นอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ย้อนไปพูดถึงเรื่องสี่งข้อที่หนะึ่งะสี่งข้อที่สองสิงข้อที่สาม กาเมสุมิชาจาร์เราแปลกันง่า ย, ายๆว่าอย่าพิดผัวเขาเมียใครใครมันก็รู้ก็แค่นั้นก็ทํายังไม่ได้แล้วคนจะมาเลื่อนชั้นอะไรปฏิบัติธรรมก็ต้องทำไม่ได้อย่าไปวุ่นวายมากมายกิเลสกามกเมสุมิชาจาร์เนี่ย เรื่องเมตุนธรรมเมตุนธรรมของพระพุทธเจ้านี่ละเอียดละออนะไปปรุงกันไปแต่งกันอยู่ด้วยอย่างงวดนอย่างนี้อยับหยาบแค่ตัวคนบุคคลเรียกว่าคนคู่เขาอธิบายลักษณะคนคู่ได้ยังติดใจกันเนี่ยมันยังติดใจกันอย่าว่าแต่เรื่องผู้ชา ย, ต, ชายต่อผู้หญิงผู้ชายต่อผู้ชายผู้หญิงต่อผู้หญิงอย่างนี้ก็เป็นลักษณะเมถุนธรรมได้เราไปผูกพันไปติดใจจะต้องได้คบได้หาสัมผัสแต่ต้องอย่างนั้นอย่างนี้ ต้องอยู่ใกล้กันสบปัดเสศษสีกันต้องนวดต้องเฟ้นกันนี่ก็เป็นเมถุนอย่าว่าแต่ผู้หญิงกับผู้หญิงเลยเอออย่าว่าผู้หญิงกับผู้ชายเดี๋ยวนี้ผู้ชายกับผู้ชายผู้หญิงกับผู้หญิงก็ทางนั้นอย่างเงี้ยลักษณะสูงขึ้นมาไปแตะไปต้องไปนวดไปเฟ้นต้องต้องถูกเนื้อต้องต้องตัวกันอยู่อย่างงี้เป็นเมถุนเนถุนอย่าว่าแต่ผู้หญิงกับผู้ชาย ผู้ชายผู้ชายก็ไม่เอาอมันจะเป็นยังไม่ต้องไปถูกเนื้อต้องตัวอะไรจะต้องกระแสะจะต้องแกะเกาะอะไรกันอไปแกะไปเกาะไปอะไรกันทําไมต่างคนก็ต่างมีงานการมีเรี่ยวมีแรงอิสระเสรีนะ่ะมือไม้ก็ไปทํางานสิหยิบหนทนจับทานี่สร้างสรรนนท์นี่เอามาเกาะมาแกะมาลู่มาคำกัำนอยู่ทําไมไม่ต้องป่วยการไปพูดทําไมมีไอ้ลงนวดลงอาบอะไร น, นั่นเออไอ้ยังงั้นก็ชัดชัดอยู่แล้ว มันยอดเมถุนอยู่แล้วนั่นัดนวดไมก็แบบขนวดขีเมื่อยเมื่อยมันจะไปเมื่อยมันมันจะยากอะไรอยายจะจะหายเมื่อยไปแบกเข้าขนเข้าประเดี๋ยวเถอะวันนี้พอแบกวันนี้เมื่อยใช่ไหมพุ่งนี้ถอนแบกอีกแบกสามเที่ยวสามเที่ยวยังไม่หายเมื่อยแบกวันที่ห้าที่หต่อปรเดี๋ยวก็ชินประเดี๋ยวก็หายเมื่อยหายเมื่อยแบบนี้ไม่ต้องนวดต่อเลยทีนี้ ถ้าไม่ทำสิมันจะเมื่อยแหละตอนนี้ทำก็ดี้แบบนี้แบบหมอหนวดแบบนี้ดีฮะยิงหนวดยิงจะต้องได้งานแต่หนวดอย่างนั้นยิงโดนยิงเสียงานเสียเวลาเสียงานไม่ได้เรื่องใดแล้วนี่ไม่ต้องไปพูดเรื่องลามกอื่นนะนี่พูดเรื่องหนวดจริงๆเนี่ยมันยังไม่ได้เรื่องอย่างนี้คิดดูสินี่นี่เรามาพัฒนาปัญญาราพัฒนาความรู้ให้รู้ว่า เราควรจะเป็นคนยังไรศีลต่างๆพวกนี้เสริมหนุนอะไรเนี่ยแตมาพูดในโมเมรหรือเปล่ามันเข้าเรื่องเข้ารามีเหตุมีผลจริงหรือเปล่ามันเข้าหลักข้อเกณฑ์ไหมไอศีลมันสูงมาอย่างนี้นะเราไม่เรียนอธิศีกันทุกวันนี้มีแต่ไปเกาะศีลด้วยความหมายต่ำแล้วยังไม่ประพฤติแม้แต่ต่ำยังละเมิดทาไม่ได้เจ๊งเลย เพความหมายต่ําอย่างนั้นมันยังไม่ใช่ศีลมีความหมายเท่านั้นเมื่อเรามารู้ว่าศีลยังมีความหมายอื่นสูงกว่านี้เราก็จะได้เคร่งครัดไอ้ความหมายต่ำนี้ขึ้นมาเราจำทำไม่ได้เครืงหมายไอ้ความหมายต่ำๆหยาบๆทําไม่ได้ให้บริสุทธิ์ศีลห่างเป็นหลักฐานเบื้องต้นให้ได้เพราะเรามารู้ว่าศีลนี้มีความหมายสูงกว่านี้อีกตึงเยอะแยะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ไปเข้มงวดกวดขันกับเครื่องหมายต่ำๆที่คุณก็รู้แล้วบอกว่าจะไปบอกกันเลยข้าสัตรูมันบาปไหมลักทรัพย์มันทุจริตไหมมันบาปไหม ผิดผัวเขาเมียคนนั้นคนนี้มันบาปไหมไม่ต้องไปพูดเนี่ยความหมายสูงกว่านั้นคุณยังทํายังมีอีกยเยอะเยอะไอ้ต่ําแค่นี้ยังไม่ได้กาแสดงให้ใจเห็นความต่ําของเราว่าโอ้โหตอนนี้ยังต่ํามากนะไอ้ฐานต่ําๆนี้ยังทําไม่ได้เลยฐานสูงขึ้นไปอีกความหมายของศีหน้า น, นี่มีอีกเท่าไหร่เรายังไม่ได้ทําเลยแต่ถ้าเราคุณรู้ว่าสีมีความหมายแค่นี้คุณก็บอกไม่เป็นไรครับมันไม่มีสูงกว่านี้ครับยังไงยังไงมันก็ไอ้แขกเนี่ย มันก็ไม่มีฐานสูงมันไม่มีบันไดมันไม่มีความก้าวมันไม่มีช่องจะก้าวช่วงจะก้าวแต่ถ้ามันเห็นช่วงก้าวช่องก้าวคุณจะขยนันทาคุณจะเรียนรูน้แล้วคุณก็จะพยายามประพฤติเมื่อประพฤติแล้วมันจะได้ดีอย่างไรท่านก็สอนมันจะว่างจะไม่เป็นภยัยจะไม่เป็นโทษจะสงบระงับจะสบายใจสังคมก็สบายเราก็สบายเป็นคนขยันมันเพียงมีสิ่งได้สิ่งสูงอ่า มีสิ่งได้ก็ตรงที่ว่าเราเสียสละมีอะไรได้มีความเสียเป็นความได้ฟังให้ไหวละนี่เป็นภาษาเซนแล้วภาษานี่เป็นภาษาเซนนะมีอะไรได้มีสิ่งเสียนั่นแหละเป็นสิ่งได้คุณอาจจะต้องงนันงันนี่เป็นภาษาที่สูงกว่างงและเป็นภาษาที่สูงกว่างเงงเป็นภาษาที่สูงกว่ า, างเาางเขาบอกว่างง งงแล้วก็มาใช้สแลงว่าเงงแล้วมันมีสแลงยิ่งกว่านั้นอีกเป็นงงมันมาหางงเลยงงยังไม่สูงกว่านั้นอีกงันเลยตอนนี้เฮ้งันเลยสูงก็่างงสูงกว่างเงงและสูงกว่างงงันเลยตื่เลยอะไรเว้ไม่รู้เรื่องคือไอ้ที่เสียนั่นแหละคือความได้ของเราอธิบายให้สูงกว่านั้นเสียสละ เพราะในชีวิตของเราจะเป็นนักเสียสละ ท, ทั้งทั้งที่รู้เสียเถอะสละเถอะลราอย่าไปเอาของคนอื่นมาเสียเอาของเราแรงงานของเราสิ่งผลิตของเราอย่าไปเอาของคนอื่นมาเอาของคนอื่นมาก็เป็นหนี้ก็ต่ออีกทอดหนึ่งดิของเราเนี่ยเราปั้นเองสร้างเองลงทุนลงแรงเองเลยเชียวได้แล้วเอาแจกจ่ายกันเสียสละกันเกือ้อกูลกันเอือ้อเฟื้อกันไป นี่แหคือผลได้ของเราผลได้คือของของเสียนี่แหละเสียสิ่งที่เราเสียสละไปให้เขานี่แหละเป็นของได้เป็นความได้บุญได้กุศลเพราะมีการสละมีการเอื้อเฟือ้อมีการให้คนอื่นได้เพราะแม้แต่เราเองเราจะมาเป็นคนที่จะปรารถนาใครก็ใครที่จะได้สิ่งเสียสละกกรรม กาวในปแปลว่าความใค่ยอยากนะเราอยากเป็นคนเสียสละเราจะมีพฤติกรรมอาจาระหรือจาระในแปลว่าพฤติเราจะมีพฤ ต, ต, ติกรรมที่เสียสละอย่าไปมิดฉาจานอย่าไปคิดผิดๆเป็นเห็นพฤติกรรมที่โลกเขาบอกว่าโอ้ยได้มาคนนี้ลำคนนี้รวยหอผ้ามาเป็นพฤติกรรมที่น่าอยากจะเอาอย่างตามจังอยากเอาอย่างตามนั่นคือกาม อย่าไปอยากเอาอย่างตามเป็นมิจฉาจาร์อันนั้นเป็นความประพฤติเป็นการกระทําที่มิจฉาอย่าอยากเอาจงอยากให้นี่เป็นทัพฟังให้ดีนะี่อาจะมาอธิบายการเมซูมิฉาจาร์นะอ่า เพราะงั้นเราเองเราไม่เอาไปนั่งเสียเวลานั่งสัมผัสแต่ต้องเอาเอาเสพติดอะไรอยู่ไม่เอาเราจะมาเป็นคนสร้างสรร์ไม่เห็นแก่เหนื่อยกันับเหน็ดเหนื่อยสร้างแล้วแล้วก็ให้ให้ได้นี่เป็นสภาพของกามะชั้นสูงเป็นความใคร่อยากเสียสลัดไม่ต้องละเว้นซะด้วยแต่ละเว้นที่จะทำมิจฉา ละเว้นสิ่งที่จะเป็นพฤติกรรมอันไม่ดีมิจฉาเนี่ยแปลว่าไม่ดีผิดจ้องทําสิ่งที่เป็นสุเป็นสินส่งดีกามสุนะไข่อยากในสิ่งที่ดีในสิ่งที่เป็นสุแล้วเราก็จะทําให้จริงให้ตรงคนเราจะทําทได้อย่างนี้จริงคนนั้นก็สร้างสรรค์คนนั้นก็มีคุณมีค่าคนนั้นก็มีประโยชน์สบายอาตมาได้ให้ทุกวันนี้สร้างสรรค์ให้ มีแรงงานทางกายอาตมาก็ทําแรงงานทางกายให้คนอื่นไปไม่ต้องคิดว่าจะต้องแหลกเป็นลาบมาไม่ต้องคิดว่าจะต้องแยกแหลกเป็นยศมาไม่ต้องคิดว่าทําไปแล้วนี่เขาจะตั้งสรรเสริญหรือเปล่าบอกแล้วว่าเขาด่าด้วยเสียงด่าตาเถรเทวทัตเดี๋ยวนี้ดังหมดเลยหนะน้าหนังสือพิมพ์วิทยุกวาดซัดคล่อมๆก็ว่าไปแต่เราเองเนี่ยเข้ามาประชดประชันเราว่าตาเถรเทวทัตเนี่ยเราได้ทําชั่วอะไร พิจารณากรรมพิจารณากิริยากรรมของเราถ้าเราไม่ได้ทําชั่วเราทําเสียสละเราทาแจกจ่ายเราทาเกื้อกูลอยู่ดีจริงเขาด่าก็ด่าไปพอมาไปคานแย้งผลประโยชน์เขาเสียผลประโยชน์เขาก็ต้องประชดประชนันประท้วงจะาให้เราหยุดหยุดไอ้สิ่งที่เราพาทำเนี่ยเราจะไปหยุดทาไมก็เราทำให้คนดีๆไม่หยุดทําไมถ้าไม่หยุดเนะ่ะเดินเครื่องเต็มลำเดินหน้าเต็มแรงเรื่อยไป เราทำดีแล้วไม่หยุดต้านได้ต้านต้านไม่ได้คุณก็ร้อนไม่ได้เราก็เดินหน้าไปเรื่อยถ้าเราจะเป็นนักธรรมเราเป็นธรรมกาโมเราจะปรารถนาธรรมธรรมะที่จริงตัวคาว่าธรรมะเนี่ยมันมาเป็นภาษาไทยตัวอาตมาเคยตั้งคอสกเกตว่ามันเป็นตัวคำว่าธรรมนี่แหละกรรมนี่แปลว่าการกระทาแปลว่าการงานอย่างหนึง่งการงานอะไรการงาน อย่างทำเนี่ยการทำเนี่ยการงานที่มันเป็นธรรมะนั่นแหละจงให้มันเป็นอันนั้นแหละเราเรียกว่าจงให้สําเร็จประโยชน์ที่ว่าเป็นการงานที่เป็นธรรมะนี่เรียกว่าทำเพราะการกระทําภาษาไทยนี่นะคือทําให้มันเป็นธรรมมันเป็นคําซ้ำๆอยู่นี่ฟังเสียงมันเป็นทำทำทำทำธรรมะนี่คือตัวธรรมเพราะฉะนั้นกรรมอะไรก็ให้มันเป็นกรรมที่เป็นธรรมก็ทําให้เป็นธรรม ทำทาให้ทำํทำทาฟังให้ดีแล้วจะมันจะย้ำๆเข้าจะเห็นชัดเจนนะอ๋อทุกวันนี้เราทําไม่เป็นธรรมเราจึงทําเป็นบาปเพราะกรรมของเราจึงเป็นการกระทําที่เป็นบาปมันไม่ใช่กรรมที่ดีเพราะเราจะทํากรรมต้องทํากรรมให้มันเป็นธรรมหรือให้มันเป็นคุณธรรมมันจึงจะเป็นบุญคนเราไม่อยากได้บาปนี่ แต่เราไม่รู้ความจริงเพราะงั้เราก็มาเรียนรู้ความจริงว่าทําให้เพื่อแจกจ่ายเจรจาให้อย่าเป็นคนเกลดคร้านอย่าเป็นคนงอมืองอเท้าเป็นพ่อพวงมะลัยแม่พวงมาลัยลอยไปก็ลอยมาเดี๋ยวก็ะไปนั่งแช่ตรงนั้นนึกก็ไปทเทไร ก, กระดกกระดิกตรงนี้ไปเต้นตรงนั้นไปดีตรงนี้เฉยเฉยไม่เอาอ่ะจะเต้นเต้นจะดีก็ให้มันเป็นคุณค่าเป็นบทบาทที่มีแรงงานที่มีผลสร้างสรรค์อย่างนั้นเราก็ทํำ มันนี้เป็นคุณธรรมหรือเป็นความหมายที่นานๆฟังแปลกหูทีวันนี้เคยฟังพระองค์นี้โมเมใหญ่แล้วอธิบายการเมสูมิช้าจาย์อะไรไม่รู้เรื่องอคุณก็ฟังได้ว่าไม่รู้เรื่องแต่ถ้าคุณฟังได้เหตุผลนี่ก็ฟังไปอาตมานแนะนำธรรมกาโมหรือว่าเป็นคนที่รู้จักธมจันท ร, ร์รู้จักกาเมสูมิชาจา์ไอมิจฉานเราไม่ทาเราไม่ไข่เราไม่อ ย, ยากแต่ที่เป็นสุ เป็นสุขตะสุขโตเป็นสุจริตเป็นสุจริตนี่เราทำเราจะใข่อยากในเรื่องสุการเมสุแต่เราจะไม่ไข่อยากในเรื่องมิจฉาจาพรพฤติกรรมที่เป็นมิจฉาเราไม่เอาอย่างนี้ก็เป็นความหมายสูงขึ้นมานี่อธิบายให้คุณฟังด้วยว่ามันเป็นความหมายของศีลนะที่นี่แนะนำพาให้คุณมาทำพฤติกรรมที่มันไม่น่าดูเช่นว่า คุณไปเข้าใจว่าแต่งตัวยั่วยวนคนในเข้ามาแหมน้ําลายหงน้าลายเองฉันสวยไหมนี่ยิ่งผู้หญิงด้วยแล้วก็ไปทําท่าทําทางไปตกไปแต่งอะไรอย่างเงี้ยยั่วยวนเขาก็เกิดราคาะสิเมื่อผู้ชายเกิดราคะแล้วก็มันกลัดมันเขา้าว่าอ่ะติดคุกก็ติดวะปล่ำข่มคืนฆ่าด้วยเกิดเพราะใคร พราะเราไม่รู้มิจฉาจาร์เราไม่รู้พฤติกรรมที่ไม่สมควรเรามาแต่งตัวเพื่อกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยกันอุจารเรายึดถือกันมากกว่าไม่นุ่งผ้าในีไม่ดีอุการอุจารก็นุ่งห่มพอปิดกายพอกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กัดต่อยไม่ต้องไปหลงงามหลงแงหลงสะหลงสวยอะไรเกินการแค่นี้พอไหมถ้าเราพอเราทนได้เราสบายใจ คุณก็ไม่ไม่เดือดร้อนแล้วหลุดพ้นสบายเลยนี่นุ่งผมพอเป็นพอไปพอเปลี่ยนซักเปลี่ยนตากพอแล้วคุณเบามากเลยชีวิตนี้ไม่ต้องไปยุ่งวุ่นถูกเขาหลอกลอ่อต้องไปดูแฟชั่นต้องเอาแบบนี้ต้องเอาแบบนั่นต้องเอาแคตตาล็อกมาดูต้องอะไรจะอะไรนั่นอาตมาถือว่าเป็นมิจฉาจาร์เป็นมิจฉาจาระถ้าคุณยังปรารถนาใครอย่างอย่างนั้นอยู่ไม่สงบ ไม่พ้นทุกเอามาท้ากันมากไม่พ้นทุกแต่ถ้าคุณรู้จริงเราอย่างนี้เลิกมาละมาหลุดออกมาไม่ติดไม่ยึดและไม่ไปเป็นพฤติกรรมอย่างนั้นสบมทมดปกตหหววสบายมากเลยเรื่องธรรมดาปกตินี่เรามีความสบายกันขึ้นมาเยอะมาพิสูจน์แล้ว เป็นสาวเป็นแซ่เนี่ยถูกเขาหลอกไปแต่งเนื้อแต่งตัวที่นี่เรามาที่นี่ปลดปล่อยได้แล้วไม่เป็นทาตที่หลอกเขาอีกแล้วสบายคุณท่องไปสิสบ ม, อมอปกตอเออรรมดปกตอหอหอผู้หญิงอาจจะพูดว่าโวยวยอาจจะไม่สไม่สูภาพก็ไม่ต้องตอววสบายมากปกติเลยธรรมดาปกติหายห่วงเลย ไม่ต้องไปที่ใดว่าสมัยนี้ก็แฟชั่นก็ไปถึงไหนถึงไหนไม่แฟชั่นอย่างนี้เก่าใหม่ไม่รู้ว่าอย่างนี้สบายๆเป็นจารีตประเพณีเครื่องแต่งตัวไทยๆง่ายๆซึ่งเรามีแล้วพอแล้วไม่ต้องไปมีใหม่มาอีกหรอกไม่ต้องพัฒนาก็ได้เขาจะหาว่าเชยเขาจะหาว่าโอ๊ยไม่ทันสมัยเลยต้องไปตามมันทําไมเราสมัยไอ้สมัยพาให้ลิ้นห้อย ไปตามสมัยแล้วเหน็ดเหนื่อยไปตามสมัยล้วซกัซกซักวุ่นวายไปตามทาไมล้วสมัยอย่างนั้นตามธรรมดีกาตามธรรมะดีการรกนี่อย่างนี้เราพากันมาอธิบายทุกคนก็เลยลดมาได้นี่พิสูน์ที่ตัวคุณเองนะ่ะเป็นสาวเป็นแท้ก็ตามแก่ก็ตามแก่แล้วก็ไม่เจียมตัวฟังดีๆแล้วนะธรรมะอัตมาแรงนะ อุสาไปเอาแล้วนี่มันมีหลุมมีบ่อหน้ามันเหี่ยวเหมือนหางแล้วก็เอาไปเอาสามชัน้น8ปดชั้นมาอุดไว้เสร็จแล้วไอ้พวกแปง้งฝนนั่นมันก็แข็งตัวลายฟองโถแก่แล้วอ่ะจับได้เลยเนี่ยเอาแป้งไปโปไปเปล่าไปพอหายน้ำมันมันไม่เชื่อมโยงกันเห็นลอยเป็นลิ้วเหมือนก็ไอ้แผ่นดินแตกแล้วแหงอ่ก็แล้วเห็นเ่าประเดี๋ยวก็ร่วงโอ๊ยหน้าทำไมร่วงได้อ่ะก็ํากันเท่านั้นเอง ก็ต้องไปซื้อชนิดที่เป็นเครื่องสําอางชนิดที่ไม่ขาย ข, ายขีหน้าแบบนี้ mm hmm. เขาก็ขายแพงเขาเสียงเงิ น, นไปซื้อมาอุดใหม่ไม่ให้มันขาย ข, ายขีหน้าแบบ เ, เครื่องสําอางแบบราคาถูกพอไปทาเขาแล้วจะแตกระแหง mm hmm. ก็ไปซื้อไปสิเชั้น8ชั้นแล้วกเอามาโปะมาป่วมาทาอย่าเลยนะคุณแก่เป็นธรรมดา mm hmm. มาศึกษาสัจธรรม คุณแกเป็นธรรมดายาไปถูกเขาหลอกมามาโปมาป่ามันก็ไอ้ล้วงล้วงเขาอยู่แคคุณจะไปล้วงเขาทำไมแกก็แกแต่คุณค่าของเรามีสมรรถภาพสร้างสรรได้ทั้งทงที่หน้าตายเห็นว่าแกแกนี่แหละยังมีเรี่ยวแรงยังมีสมรรถภาพเ อ, อื้อเฟื้อเกา ก, กลทํนทำได้มากแล้วยังแจกได้ด้วยหมอย่างนี้ต้องกราบไปคนพันนี้ นี่ยอาเวลาไปหาเงินมาแล้วก็เอามาทามาปักมาโปะมา อ, าอะไรจะไยงานก็เสียเวลาก็น้อยลงเพราะว่าต้องไปเปลืองพวก น, นู้นบางทีอยู่โอ้ยมันแก่ต้องลบหลายรอยเลยกว่าจะออกจากหน้ากระจกได้เสียเวลาเอาเวลาไปสร้างสรรค์นี่เราเอามาแจกจ่ายได้ไม่เอาไม่ทําคุณลดคุณค่าของคุณลงเพราะคุณไม่ธรรมะไม่ทําถูกทำไม่ทําไม่พุทธมีพฤติกรรมที่ถูกธรรมะไปถูกโลกมันหลอก นี่เรามา่เข้าใจสัจธรรมพวกนี้ให้ชัดแจ้งพวกนี้แล้วเราจะกลายเป็นคนมีค่าแก่ก็มีค่าไม่ใช่แก่แล้วก็ไม่เจียมตัวฟังนั้นสำนวนที่อาตมาว่าแก่ไม่เจียมตัวไม่ต้องไปกลัวเขาจะบอกว่าหน้าเราย่นหน้าเราแย่ลงมามันเป็นจริงคุณห้ามไม่ได้หรอกสัจธรรมนี่มันต้องแก่เกิดแก่เจ็บตายมาเรื่องธรรมดาย่นก็ย่นแต่แรงงานยังมีผลผลิตยังมีสร้างสรรค์ได้อยู่ไม่เป็นไรยิ่งดีสิโอคนแก่คนนี้ยังสร้างสรรค์ น, นั้นยังขยันเพียร อยู่ที่นี่ยังทำเหลือทำมากยังเอามาแจกมาจ่ายคนอื่นซะอีกแบบนี้คนแบบนี้ต้องกราบแต่คนที่ไปหลงจะพริยาลบเหลี่ยมลอยริ้วลอยอะไรตัว อ, อะไรต่างๆนานนไม่ยอมรับความจริงว่าแกคนนั้นอย่าไปกราบอย่าไปสร้างขานิยมว่าอย่างนั้นเป็นของนานิยมไม่นานิยมแม้สาวเป็นคุณนายคุณหญิง เ, เป็นสาวน้อย ส0 0พันปีชมเชยกันการที่พูดยุแย่ก็ให้เป็นนิยมชมเชยคนอย่างนั้นเป็นการพูดผิดเป็นมิจฉาจารย์เป็นพฤติกรรมมันไม่สมควรพูดไม่สมควรทําคนทําก็ไม่สมควรทําคนพูดก็ไม่สมควรจะไปพูดมันไม่เป็นพรหมจรรย์เลยการเมสสมัยฉาจาร์ที่ไม่เคาราเป็นมิจฉาจาระเป็นพฤติกรรมที่ผิดผิดทางจรัยธรรม ฟังดีๆอัตมาอธิบายพวกนี้แปลกหูหน่อยแต่ไม่ได้อยู่ในทางที่ไม่ถูกเรื่องนะเป็นในทางที่เราควรรู้แล้วเราควรเข้าใจแล้วเราควรละเลิกสิ่งนั้นไม่ถูกเลิกมาพอคุณเลิกมาแล้วก็ไปพิสูจน์ว่ามันสบายแก่ก็สบายสาวก็สบายเพราะมันเป็นหลงพฤติกรรมอย่างนั้นเราก็ผลมิจฉาจารมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นอันนี้นี่เป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของธรรมะ เป็นเรื่องของความหมายที่เราจะต้องเข้าใจให้ถูกทางแล้วก็ปฏิบัติให้ตรงเมื่อปฏิบัติตรงแล้วเราก็พิสูจน์วมันสบายมันไม่ต้องเปลืองเปล่ามันไม่ต้องเดือดร้อนสังคมก็ไม่กบฎกเสียนสังคมก็ไม่ต้องหนักหนาเหน็ดเหนือ่อยยัง่งชิงอยู่ได้สบายนะเมืองไทยจะเป็นเมืองอุดมนะคุณยังอุดมยังมีวัตถุวัดสดุอะไรตรไรหลากหลายที่เราจะต้องได้กินได้ใช้แต่ถึงอย่างนั้นก็อย่าประมาท คนเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่เรียนรู้ไม่ลดละในเรื่องกามในเรื่องที่จะไปเสพสมสู่สมกันมาเดี๋ยวคนก็จะมากกว่าคนมากคนเกิดมากกว่าคนตายเกิดมาเขาต้องมากินวัสดุมาแย่งชิงใช้วัสดุอีกเดี๋ยวก็จะไม่พอเอาเพราะนั้นถ้าปูใดเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องไปเพิ่มขึ้นมาถ้าคนนั้นยังมีกิเลสอยู่เขาลดยังไม่ได้ก็เาก็เห็นใจเขาบ้างลดก็ลดไม่ใช่ลดอาก็เรื่อง สมสู่ก็ยังไปสร้างมนุษย์อยู่ก็ไม่เป็นไรก็สร้างมาแล้วก็พยายามที่จะมาอบรมเขาเป็นครูจะทํำยังไงให้เขานับถือให้เขาเชื่อฟังให้เขาศรัทธาเรื่อมใสแล้วเราก็จะได้บอกเขาได้บอกอย่างนี้อย่าทํจาจนทําอย่างนี้นะเขาก็จะได้เจริญจริงนะสิ่งนี้ไม่ควรทําทําสิ่งนี้เราก็แนะนำเขาเพราะเรามามีเวลาไม่ต้องไปผลิตคนละเรามาผลิต คนที่เป็นคนแล้วให้เป็นคนยิ่งขึ้นคนที่เกิดมาแล้วจากคนโน้นเขาผลิตมาเพราะเขายังมีกิเลสเขาก็เลยอดไม่ได้เขาก็ผลิตคนมาผลิตมาแล้วเราก็มาช่วยเ้าผลิตต่อให้เป็นคนดีสอนเขาอีกสอนจิตวิญญาณสอนปัญญาสอนพฤติกรรมขเขากมาเป็นคนมีพฤติกรรมที่ดีมีจิตปัญญาที่ดีสร้างสรรดีขึ้นอีกอย่างนี้เราช่วยกันเสริมสาง คนทุกวันนี้ต่างคนต่างก็ผลิตกระดอกมาลูกตัวเองก็ดูแลก็ไม่หวาดไม่ไหวแล้วมันจะไปดูแลลูกคนอื่นได้หรือเพราะฉะนั้นต้องเอาคนว่างจากลูกตัวไม่มีแล้วก็ไปดูแลลูกคนอื่นอย่างนี้มันก็ทันกันแม้คนจะผลิตเกินขึ้นมาคนจะต้องเกิดอยู่ขึ้นมาเราก็ยังมีคนคอยสอนเพราะคนนี้ไม่มีลูกของตัวก็สอนลูกคนอื่นก็ยังดีเพราะฉะนั้นสอนคนเนี่ยอย่าไปมีลูกมาเองให้มันเพียงพอ คุณภาพของคนหรือจำนวนคนที่ไม่มีลูกก็จะไปสอนลูกคนอื่นได้มากขึ้นและมีความรู้จริงจริงมีสัจธรรมที่จริงด้วยมีปัญญาที่ถูกต้องด้วยสัจธรรมก็จะดีขึ้นมีขึ้นแม้คนจะต้องมากขึ้นมาอีกเพราะจำนวนอัตราเร่งมอัตราขยายนี่มันมีอยู่เยอะอย่างนี้ยังมีหวังทันยังมีหวังทาให้สังคมสงบอยู่ได้รอดแต่ถ้าไม่มีหลักการนี้เนี่ยไม่มีทฤษฎีนี้นะ อย่างทุกวันนี้เนี่เจ๊งเจ๊งไม่รอดไปไม่รอดเพราะงั้นเราคจึงชักชวนคนให้มาลดกิเลสว่าไปสมสูนี่เป็นกิเลสจริงๆมาพิสูจน์สิสอาตมาพิสูจน์แล้วว่าเป็นกิเลสอาตมาไม่มีกิเลสอันนี้อาตมาก็ต้องไม่อยากไม่อยากไปสมสูนี่ไปสมสูนทาไมล่ะไม่อยากหมดยากแล้วมันก็ไม่จะไปทําทําไมมันก็ไม่ต้องทํา ไม่ทำแนละ้วมันก็เสายวะบอมอทอมอดอปกตอหอหอมันก็สบายแ ล, แล้วเราก็เอาแรงงานที่เรามีเนี่ยมาทำประโยชน์อื่นนี่ให้มันมาสอนเขาต่อไม่ต้องเอาเวลาไปจ่ายแรงงานทางโน้นไม่ต้องกังวลกังวาลเลยไม่ต้องห่วงห่าวานันต้องมีคู่เสพคู่สมต้องมียังโนอย่างงี้ต้องห่วงกันต้องยังโนอย่างงี้ยังไม่พอยังสร้างห่วงเกิดพุทออกมาอีกหลายหน่วยด้วยว้า ก็เลยกระตรงกระเตงกันใหญ่เลยยุ่งนะเนี่ยมันเป็นความจริงนะคุณมาสอบมาเรียนมารู้แล้วก็ต้องมาลดกิเลสทางโลกเขาก็รู้ว่ามันเป็นภยัยเป็นพิษมันเป็นยุ่งยากในสังคมหาทางลดการเกิดโดยการคุมกําเนิด่านั้นฐานี้อย่างโ น, น้นอย่างนี้มันก็ไม่สําเร็จไม่สําเร็จจริงแล้วก็ ต, วต้องเปลืองด้วยมีไอสิ่งที่ไม่สมดุลมีอะไรอะไรเกิดขึ้นได้เรื่อยๆรมันไม่เป็นเรื่องตรง เรามาเอาเรื่องตรงดีกว่ า, ามาเรียนรู้เรื่องตรงลดกำหนัดไม่จะเป็นรถไอ้ประเภทที่จะต้องคุมกําเนิดวยวิชาอื่นเอาวิชาพระพุทธเจ้าเนี่ยลดคุมกําหนัดคุมได้คุมได้เนี่ยอามาช่วยกันแล้วแม้แต่เพื่อคนที่แต่งงานแล้วกว็าตามก็คุมได้คนแต่งงานได้ได้แล้วก็คุมได้อีกก็ยิ่งดีคุมกําหนัดได้สบายเลยจนกระทั่งเข้าใจโอ้ไม่ไม่ใช่ความด้อย มันเป็นความเก่งตั้งหาที่เราสามารถลดกิเลสกามได้เนี่ยใครมาบอกก็ว่าดา่าคนกรามตายด้านแล้วก็ยิ้มมาสิกลั ว, วเราเจอไม่จริงกันนะกลัวมันจะเล่นฤทธิ์เล่นแดดอยู่นะนะก็กามตายด้านก็ดีทีในเรื่องของเมตุนในเรื่องของผู้หญิงผู้ชายเขามาว่าเราไม่ใช่เรื่องน่าเสียใจแล้วไปยั่วอยูุ่กันคนกรามตายด้านเป็นคนที่ด้อยเป็นคนที่ไม่ดีในสังคมดูสิเนี่ยเกิดมาก็ลูกก็ไม่มีเต่าก็ไม่มีกามตายด้าน อ้าวก็ดีสิเราก็จะได้มีเรี่ยวแรงไปช่วยงานอื่นเขาอ่ะมันจะไม่จริงอะนาะไอ้คุณรู้กันด้วยเลยว่าเราการตายด้านตายจริงกระปากคุณเป็นพยานนะเป็นหลักฐานยืนยันนะแน่ใจนะว่าเราการตายด้านจริงกามตายด้านจริงก็หวานเลยที่ไม่ต้องยุ่งเกี่ยวเรื่องสมสู่เรื่องผู้หญิงผู้ชายนี่พมันก็สบายอารมณ์เลยแหละนะแต่กิเลสมันมีจริงเพราะฉะนั้นถ้าเรา ฝึกหัดลดลงไปจริงจนเป็นกามตายด้านจริงมันน่าดีใจมากกว่าทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าจะต้องไปหายาโปไปหาเครื่องเร่งเรากา ม, มคุณต้องกระแต็นกระด๊อกกระแดกต้องมีกรรมวิธีการอย่างนั้นต้องเร่งเร่าให้กามมากโลกมันข่มขืนฆ่ากันจนกระทั่งจะระ ง, งับอาชญากรรมพวกนี้ไม่ไหวแล้วถ้าคุณจะไปคิดผิดหลงผิดอยู่ว่าต้องมาเร่งเรา่าต้องมาแต่งตัวยวั่วยวนต้องพยายามเลยทําสีทำสันทํารูปรดกลิ่นเสียงสะพัดยั่วยวนกันให้เร่งเร่าราคะแรงขึ้นตาย สังคมตายตายแน่ๆไม่มีทางที่จะมาตั้งโ ว, โ, วโวยโวยเราจะทำยังไงไม่มีอันนี้ต่อให้คนนี้เป็นตำรวจหมดมันก็จะปลุกปล้ำตำรวจเลยเราจะบอกให้ตำรวจหิงตำรวจชายอะไรมีมาปลุกปล้ำตำรวจเลยถ้าพวกไหนที่มันวิถีฐานมันก็สมสู่ผู้ชายด้วยผู้ชายมันก็จะปล้มตำรวจผู้ชายเลยถ้ามันไม่วิถีฐานมันก็ผู้ชายมันก็ปล้าตำรวจหญิง ผู้หญิงก็อาจจะไปปลาำตำรวจชายเนี่ยมันก็อย่างงั้นคนมันจะปล้ำตำรวจเลยแหละถ้ามันดุเดือดขึ้นมากิเลมันแรงมันจะไปกลัวตายอะไรเพราะเราไม่เอาจะต้องรู้สัจจะพวกนี้ชัดชัดแจ้งแล้วเราต้องมาปรับตรงมาใครปรับได้สบายคนนั้นอาตมาสบายแล้วใครอยากสบายด้วยมาเอาใครไม่อยากสบายด้วยหาว่าเป็นปมด้อยคุณก็ไปไปอย่างโลกเขาทุกข์กวของคุณเดือดร้อนก็ของคุณ อาตมาไม่ง้อด้วยก <c oughs> ็อยากจะไปฟังโลกเขาหลอกแล้วไปจะไปเอาอย่างโลกเขาก็ไปสิว่าอย่างงบนั้นมันแสนมันแสนอร่อยแสนดีหน้าเชิดชูหน้ า, นนาทำตาตามอย่างไปเลยไปปลุกไปเล้าไปเร่งไปเล่ากันทางโน้นทางโลกเขาพาทำํำอาตมาไม่เอาอะอาตมาพาทำทางนี้อาตมาว่าสุขเย็น และมีเรี่ยวแรงอัตมาพิกูจน์อยู่ไม่ใช่ว่าการตายได้แล้วทํางานให้แก่สังคมไม่ได้เงยิ่งสบมเอเลยอิสระเสรีไม่ต้องมีห่วงมีหาอะไรยิ่งทํางานอะไรคิดอ่านอะไรอื่นได้ยิ่งสะดวกยิ่งสบายเลยไม่ต้องมาคอย่าเออนี่ต้องไวให้ลูกสิมันต้องไวให้หลานสิเออลูกหลานล้วตัดไปเลยพล่วนล่ ว, ว, วเลยยิ่งสบายเลยสละได้อย่างมากเลยแล้วมันเป็นความดีในเสียสละใครเถียงเมา่ว่าการเสียสละเป็นความเร็วมีไหม ใครว่าการเสียสละเป็นความเร็วยกมือขึ้นไม่มีมันเป็นสากลนิยมใครก็รู้โลกไหนเขาก็เข้าใจว่าการเสียสละเป็นความดีพราะเรามาฝึกขัดทํำยังไงเราจะเป็นคนเสียสละได้แล้วเราเสียสละให้ได้จริงสร้างสรรค์แล้วก็เสียสละแจกจ่ายไปออกไปออกไปทําไม่ได้จริงอย่างนี้มันถึงจะทําให้สังคมสุขเย็นได้เราก็สุขเย็น เราก็เป็นคนที่มีคุณค่าเพราะสอนคนให้มีการเสียสละในจริงเราก็เป็นคนเสียสละจริงไม่ใช่ว่าเราบอกเขาเสียสละกันเราเองเป็นคนแอบเอามาทำทานนะเสียสละเป็นบุญมาทานที่อัตมาเนี่ยได้บุญมากามาอัตมายังขาดเนี่ยนะขาดกุศก็ยังขาดสั ล, ลาก็ยังขาดมาสร้างพระประธานใหญ่ๆกันที่ได้บุญเยอ ะ, อะแล้วคุณก็ให้เขาเอาเงินมามาสร้างเขาไปเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นพระประธานใหญ่ แล้วก็ไม่ได้คุณค่าอะไรหลอกกันต่อไปอีกให้ไปหลงเป็นเรื่องริ ด, ดเด็ดเด็ดเห็นไหมเนี่ยพระองค์นี้พระใหญ่ทันริดมากเห็นไหมเนี่ยฝนฟ้ามาเลยก็อาบแดดอาบฝนได้ถ้ามีริดแดงนะั้นบรรดาล น, นูน่นบรรดาล น, นี่ได้ไอเรื่องนี้เราเฟอ้อที่สุดเลยเดี๋ยวนี้ศา ส, สนามันไม่เรื่องเพราะอย่างนี้เพราะเราจะต้องมาสอนให้ถูกมาให้กระทําให้ถูกเรื่องถูกราวกันมันจึงจะเข้าท่านะ เมื่อใครปฏิบัติถูกแล้วพิสูจน์ได้แล้วก็มาช่วยกันใครเสียสละได้มากก็มามาสมัครงานนี่งานนี่เงินเดือนศูนย์นี่เข้ามาขณะนี้ที่ในวงวงของพระโอษค์เราเนี่ยเป็นพวกปฏิบัติศีลปฏิบัติแล้วก็ลดละได้แล้วก็สบายมาไม่ไปฟุ่มไปเฟือยก็เลื้อเงินเลื้อทองเลื้อข้าวเลื้อของเลื้อแรงงาน เอาเงินทองเข้าของแรงงานมามาอุดหนุนเนี่ยเราจะทํามันนั่นกันนัเราจะทำไปนะให้ออกไปให้กับสังคมแล้วก็ทํากันคุณมาเลยมาติดตามดูเลยว่าที่นี่เนี่ยเอาเงินของคุณเอ า, เอาวัสดุของคุณมาปูยี่ปูยําอาตมาแบ่งไปเสพกันหรือเปล่าอาตมาขอยืนยันว่านักบวชพวกเรานี่ไม่แบ่งเอาแม้แต่สลึงหนึ่งของคุณเลยไปแอบไปซื้อของสวยไปซื้อลูกไปซื้อรถไปซื้อกลิ่นมาเสพส่วนตัวอาตมากล้ารับรองเดี๋ยวนี้ว่าอาตมาอยู่ใน อนัดก็อาตมาดูแลทั่ว ถ, ถึงอยู่แต่มากไปในอนาคตจะไปโกงองค์ไหนองค์ไหนจะไปโกงอาตมาก็ไม่รู้ได้นะันในอนาคตมันมากแต่ในขณะนี้อาตมาดูแลทั่วถึงอยู่เนี่ยในเมียจะไปรับส่วนแบ่งคุ ณ, คณมาสลึงหนึ่งบาทหนึ่งอะไรมาแล้วก็ไปแอบซื้อไอ้นั่นเสพซื้อรูปเสพซื้อรถเสพซื้อกลินเสพสัมผัสเสพเสพสุขเป็นกิเลสแม้แต่แค่กามอย่างนี้ รูปรเรากินเสียสะพานนี่เป็นกามนะไปเสพแอบเสพอัตมาขอรับรองได้อยู่ว่าพระของอัตมาไม่เป็นเพราะงั้นรายที่คุณเอามาทำบุญที่นี่ก็เพื่อที่จะผลิตสิ่งสื่อสารหรือผลิตสิ่งที่จะสื่อธรรมะไปให้แก่ญาติโยมต่ออีกแล้วก็ไปช่วยกันเผยแพร่อ อ, อกไปแจกจ่าย ก, กันออกไปให้เขาได้รับธรรมะต่อไปด้วยสื่อสารเหล่านี้จเจริญ ง, งอกงามขึ้นเรื่อยๆคนก็จะ เข้าใจว่าเออที่นี่สุจริตนะที่นี่ทำจริงๆทําเพื่อเสียสละทําเพื่อเผื่อแผ่ให้คนได้รู้ธรรมะให้คนได้เจริญธรรมะจริงๆไม่ได้เอามาแอบแบ่งใส่แบ่งอะไรหรอกมาเลยอาตมายินดีให้บรรพีสูตรเบื้องหลังมาดูเลยไม่มีขี้กลางดูได้ไม่มีไม่มีเปืือยไม่มีเปล่าไม่มีเลอะไม่มีเธอไม่มีซ่อนแฝงไม่มีแอบเอาแอบแบ่งเอาอะไรขี้กงขี้ลักอะไรไม่มีไม่เอา คุณยิ่งให้มาอาตมายิ่งทํางานหนักต้องทําผลิตสื่อสารผลิตสิ่งที่จะออกไปให้แก่มนุษย์โลกยิ่งทําก็ดีก็สะดวกขึ้นบ้างก็แผร่ไปได้ไกลไปสู่คนได้มากก็ดีถ้าไม่มีก็อาตมาก็เอาแต่นั่งพูดอย่างเดียวพูดคนก็มานั่งฟังก็ได้แต่แค่ฟังกระจายไปสู่คนอื่นอีกก็ไม่ได้คุณขยันมาคุณก็มาคนอื่นกิจมากธุระมากมาไม่ไหวเขาต้องการมีเทพเอา เราก็อัดเทปไปเอาไปเปิดที่บ้านเขาทำงานไปเทปก็เปิดไปได้เรียนด้วยได้ทำงานด้วยมันก็ง่ายขึ้นมันก็ได้กระจายมากขึ้นมีหนังสือไปทิ้งไว้ที่บ้านจะแวะมาก็เสียเวลาไม่คุ้มเอาระว่างนิดหน่อยเปิดดูได้ห้านาสิบหน้ า, นาเอาพับไว้ไว้ที่หัวนอนวันหลังดูต่อมันก็กระจายเนี่ยเสริมทุกวันนี้คนมันยิ่งเศรษฐกิจยิ่งรัดตัวเวลาก็น้อยกิตก็มากต้องกิน ต้องอยู่ต้องอะไรเจะได้แล้วก็คนมันหลอกเราให้เรามามีลูกตัง้งเยอะตั้งแยะแหมเรานี่ก็โงม่มาหลายมาหลายช่วงแล้วมันพลาดมาเสร็จแล้ว ก, ก็ต้องจําเป็นลูกก็ต้องเลี้ยงไม่เลี้ยงกูจะเอาลูกไปกองไว้ให้ใครเขาไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงเมื่อเลี้ยงแล้วคุณก็เวลาน้อยก็เอาก็เผื่อแผ่ไปมันจะได้ทั่วถึงมันจะได้เกื้อกูลกันได้กว้างขวางอ่าแล้วก็ช่วยกันไปอย่างนี้โลกมันต้องเป็นอย่างนี้ ทีนี้คนได้ก็ได้ก็มาสิธรามาได้ทั้งนี้มากๆลดละลงมากๆคนโสดมากขึ้นมีแรงงานช่วยโลกเขาได้มากขึ้นกล้าเสียสละจริงได้มากมากขึ้นโลกไม่สุขเยนไหนมันรู้ไปมันเป็นความหวังอั น, วนหวานของอาตมาอยู่เหมือนกันนะแต่ที่จริงอาตมาไม่ได้ไหวังว่าถ้าไม่เกิดแล้วอาตมาจะเศร้าใจไม่สมหวังอาตมาไม่ไม่คิดอย่างนั้นคิดแต่ว่ามันเป็นอนาคต มันเป็นสิ่งที่มันเป็นสูตรที่ควรจะเป็นไปอย่างนี้เหตุมีผลมีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อเหตุผลอย่างนี้มีถ้าปริมาณเหตุปัจจัยมันมีมาได้ครบคันจริงๆนะมันถึงถึงที่หมายที่อาตมาว่าในอนาคตเพราะอาตมาทำไปสุดแรงเกิดอาตมาจะมีชีวิตอยู่กี่ปีก็ตามทำทฤษฎีนี้แหละ ให้คนลดโลภลดโกรธลดห ล, ลงเนี่ยอาตมาพิสูจน์แล้วว่ามันสบายอาตมาพาคุณมาสบายคุณก็มาเห็นด้วยและคุณก็สบายเพราะไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงเสียสละเสียสละคุณมามาสิบคนร้อยคนพันคนหมื่นคนแน่นอนอีกในอนาคตคนในโลกที่มีอย่างสมมุติเมืองไทยกว่าไปอีก50ปีร้อยปีมันอาจจะมีร้อยล้านคนในร้อยล้านคนถ้ามีจํานวนอย่างนี้มากขึ้นมาไม่ต้องถึง50บล้านหรอกไม่ต้องถึงครึ่งเทนะ่านั้ อาตมามีคนที่มันลาโลคโกรธหลงได้จริงๆนี่เป็นสาสิบล้านคนแล้วในจํานวนคนร้อยล้านนี่ทวงดุนกันอยู่แล้วสบายแล้วแต่เดี๋ยวนี้คนร้อยคนนี่ร้อยล้านนี่นะมันมีไอ้ตัวมีโลคโกรธหลงกันสองรอล้านเพราะแต่ละคนมันแทนที่จะโรคเท่านี้มันโรคเพื่อคนอื่นอีกจํานวนหนึ่งมันเลยมีความโรคสองร้อยล้านมันโลคเผื่อคนอื่นอีกเท่าตัว ใช่ไหมมันก็เลยไม่ไหวสิแบบนี้โลกก็เข้นฆ่าแย่งชิงกันตายเดือดร้อนอย่างที่มันเดือดร้อนอยู่ทุกวันนี่นี่ธรรมะมันต้องช่วยโลกอย่างนี้เสมอเราแก้ปัญหาด้วยวิธีเทคนิคความรู้ทั้งโลกไม่ได้แล้วอาตมาขอตะโกนขอตะโกนบอกไม่ได้เราแก้ไม่ได้เราต้องมาแก้ที่จิตวิญญาณ มาแก้ที่ความลดโรบลดโกรธลดห ล, ลงเราเก่งในทางเทคนิคเราสร้างอะไรก็ได้เราทำอะไรก็ได้แต่ทำมาแล้วมันก็มาแย่งชิงไอ้คนขี้โลภก็มอหอบไว้ตัวเองเท่านั้นนีงและมันไม่กระจายให้คนอื่นเป็นอย่างนี้จริงๆเดี๋ยวนี้ใครก็ใครก็คิดในแบบนี้เอาหอบมาไว้ของข้าไม่ได้ทำคุณทำประโยชน์อะไรก็หอบไว้มีสตังค์ซื้อที่ซื้อมันไว้ให้ยามันขึ้นใครจะทามาอย่างนี้เป็นต้น มีบ้านมีสตังค์ซื้อบ้านฉันซื้อมันไว้สิบบ้านห้สิบบ้านเคาจะทําไมแต่ตัวคนเดียวมันเทียวอยู่ได้จะไล่ที่สิบ้านห้บ้านไอ้คนไม่มีนอนกลางแดด ก, กลางดินนอนบ้านโถมอ ง, งลังคากระลุทองฟ้าไม่เห็นใจเราจะแบ่งไม่แบ่งวัตถุของโลกก็มีเท่านั้นอย่างนี้เป็นต้นแผ่นดินก็มีเท่านี้คนไปกองไว้10บแ่งใครเข้าไปยุ่งก็เม็นด่าของคุณคุณมีตามกฎหมายก็เป็นสิทธิของคุณ ใครก็จะไปทําได้แบบนี้ก็ตายนี่อย่างนี้เป็นต้นไม่เอาเรามามักน้อยมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านมีวังก็ทิ้งวังท่านมีของทิ้งของจ่ายให้คนอื่นเราไปใช้เถอะอาตมาเห็นดีมาเอาอ้าตมาก็มีนะบ้านก็มีที่ดินก็มีนะอาตมาแล้วอาตมาก็เสียสละให้คนอื่นไปเถอะความแย่งก็น้อยลงอาตมามาทํางานนี่มีค่าแรงงานนะถ้าอาตมาจะสะสมเงินมาซื้อที่ซื้อบ้านก็ได้อีกนะ แต่อาตมาไม่เอาละให้ไปเลยไม่ต้องไปงกเอาไว้จะต้องมีบ้านของข้าจะต้องมีที่ดินของข้าไม่ต้องอาศัยไปใครให้อาศัยอยู่ใครไ ม, ไม่ให้อาศัยไม่อยู่อาตมาไปอาศัยที่ตรงไหนอาตมาก็จะทำประโยชน์คุณค่าให้กับที่ตรงนั้นจริงๆอย่างน้อยก็ไปเทศให้ฟังแนะนำสิ่งที่ดีปรับเปลี่ยนเถอะอย่างนี้เลิกได้มา ถ้าเลิกได้อย่างนี้คุณจะสบายนะบอกได้จริงใจเลยในความเห็นวนปัญญาที่อาตมามีคนเขาเชื่อว่าอันนี้มีเหตุผลอันนี้เป็นปัญญาที่ดีเขาก็ทำตามเขาก็สบายไปที่ไหนก็แนะนำให้เขาสบายอย่างเงี้ยพูดได้พูดแนะนาได้มากกว่า น, นี้แนะนามีเชิงโวหารนี่อาตมากาลังแนะนาพวกคุณอยู่อย่างเงี้ยคุณม า, มารับเอาคุณเชื่อคุณไปปฏิบัติคุณได้คุณก็สบาย มันเป็นบุญเป็นบุญนะแม่สอนคนให้สบายนะี่เป็นบุญนะเอาเงินให้เขาเลยเดแค่เขาไปซื้อกินหมดเงินอีกแล้วมาขออีกแล้วแค่นี้ไม่ถ้าวอถ้าให้เขาไปปฏิบัติตัวเลิกไล่สิ่งเลวนั่นที่มันทําให้เขาทุกข์เขาเลิกได้สบายโอ้ยสบายไปตลอดยิ่งเชื่อมัน่นยืนยันได้เลยว่าแบบนี้เลิกได้แล้วเรเดิกขาดไปเลยตลอดชีวิตได้แบบนี้สบายถ้าวอนสบายถ้าวอ มาหัดกันอย่างงี้มาทํากันอย่างนี้มีศาสนาจะสอนคนให้เป็นอย่างนี้เดี๋ยวนี้เราแก้ปัญหาสังคมก็แก้ปัญหาสังคมแบบนี้แหละมาทําให้คนสบายถ่าวรและไม่แย่งไม่จิงเอื้อเฟื้อเกื้อกูลขยันหมั่นเพียรนิศาสนาพุทธนี่ไม่จะเป็นนั่งหลับหูหลับตาเข้าทาเข้าเขาไม่รู้โลกเขาเป็นยังไงสงฆ์ประชาชนเขาเป็นยังไงกิจการเขาเป็นยังไงอะไรยังไงไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวอะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพุทธไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น แต่จะไปเรียนรู้จะไปป่าไปเขาบั่งไม่ติดในลาบยศสันเซิญไม่ติดในโลกกระทำเราลองไปอยู่สิป่าเขาทาเราอดได้ไหมอดได้เมื่อเราแน่ใจว่าเราอดได้ก็ไม่เห็นจะต้องไปติดป่าอยู่ทําไมอะ่ะไม่ต้องติดเราป่าหรือเราเดี๋ยวนี้เราก็แสดงได้พิสูจน์ได้ว่าเราไม่ต้องติดแล้วโลกกระทำลาบยศสรนเริญไอ้กามคุณรูปรถขี่เสียงสะพัดเราก็ไม่ติดนั่งอยู่ในนี้เราก็ไม่ติด ให้คืนได้ไม่ติดไม่สะสมไม่เปลืองเห็นเลยพฤติกรรมนี่โอท่านตรงนี้ไม่มานั่งผ่านรูปผานรถผานกลิ่นผานเสียงอะไรหรอกลาบยศท่านก็ไม่ไมแหลกมาเอาอะไรจริงๆพิสูจน์ได้วันหนึ่งปีหนึ่งหลายปีจนท่านตายแม่องค์นี้ต้องติดเหรียนเลยแน่แล้วองค์นี้ไม่แย่งไม่เอาไม่โลบโมโตสันโลงกระทาจริงๆและมันก็เป็นเรื่องจริงนะ มันมีคนจริงพิสูจน์ได้และมัมีคนจริงพาทําคุณใช้ปัญญาคุณรู้เลยว่าเหตุผลนี้ถูกต้องและคุณก็มาฝึกทําตามอาตมาขอยืนยันว่าอาตมาเป็นอย่างนี้ได้อาตมาสบายเมื่อสบายแล้วคุณก็มาพิสูจน์ความสบายนี้คุณเชื่อตามคุณก็ยืนหยันจนคุณตายอีกเหมือนกันได้คนหนึ่งได้10บคนได้ร้อยคนได้พันคนได้หมื่นคนมาพิสูจน์นี่ความจริงนะไม่ใช่ความหลอกคุณมาพิสูจน์สิคุณว่าจริงไหมอาตมาพูดเนี่ย ถูกอัตมาล้างสมองมาเยอะแล้วพอมานั่งติดตามธรรมะมาหลายปีแล้วอ่ ะ, อะจะลาออกจากธนาคารแล้วนี่ได้เงินเดือนอยู่หลายบาทอยู่เนี่ยถูกเอาคืนไปเอาตําแหน่งนี้ให้เขาเถอะเขาแย่งโลกนี้มันแย่งงานกันแย่งตําแหน่งอะไรกันเยอะนะแล้วคุณก็จะเสียดายไหมถ้าเผื่อว่าหลุดได้คุณจะเสียดายกลัวจะหลุดแน่นอนแล้วกลัวจะมาไม่ได้กลัวจะมาไม่ได้ครับ เนี่ยเห็นไหมมันคำพูดมันต่างกันแล้วไม่ใช่กลัวจะหลุดในที่ตำแหน่งลาบยศอะไรอยู่นันไม่ใช่กลัวจะหลุดมันยังหลุดไม่ได้นะจริงๆมันกลัวจะมาไม่ได้พยายามจะหลุดออกมาอยู่นี่มันทิศทางมันเห็นกลับเลยทวนกระแสโลกอาตมานพยายามปลดปล่อยคนที่ไปแย่งลาบยศเสนอักันอยู่ในสังคมออกมาอย่างนี้โลกก็เบียดเสียนกันน้อยลงโลกก็ง่ายขึ้นใช่ไหม คนยิ่เกิดมาแล้วก็ทุกคนตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือนี่เพื่อจะเข้ามาแย่งพวกนี้แแววมาจต่คนนี่กลายไปเลยเนี่ยเนีกข้างหน้าเนี่ยหาทางให้มันเดี๋ยวมันเรียนเรียนไปทําไมเรียนไปแย่งลาดอย่างยศกันอีกเนี่ย <dic> เราก็พยายามปลดปล่อยคนพวกนี้ออกมาออกมาแล้วมาทำไม่ใช่ออกมาแล้วก็ไม่ทํางานนะออกมาแล้วมาใช้งานฟรีนะฮะ ร, ร, รู้เอ๊ คนนี้ยังไงออกมานี่เรามาใช้งานฟรีด้วยอยู่นอกระได้สตังค์แล้วจะหนีมาแล้วมาอยู่นี่มันทํางานฟรีด้วยเอา้ารู้แอบยอมไม่ใช้งานฟรีมันนี่มารับใช้ประชาชนก็นฟรีนะทำเนี่ยเรามีงานอะไรก็ช่วยเหลือเฟอร์ฟายก็เฮโลโฮโลเรไปขนย้ายแบกหามอะไรทำอยู่อยู่เนี่ยอย่างที่มีเรามีกิจให้ดูมาดูทีใครไม่รู้มาดูกิจกรรมของที่นี่นะบางทีโอ้โหมีงานชุกๆุ แบ่งคนทํากันไม่หวานไม่ไหวบางคนนี่ริ้นห้อยเลยคนนี้ยิ่งทํางานดีๆงานเยอ ะ, อะแล้วก็เรารู้ว่าเราได้เสียสละแรงกายแรงงานเราภาคภูมิใจเราก็ชื่นใจของเราไม่ต้องเอาอะไรแลกเวียนเราเราก็รู้แล้วว่าเราทำให้แก่สังคมบอกแล้วว่านายสุวรรณจะจดบัญชีหรือไม่จดจะชัางนายสุวรรณจะจดบัญชีหรือไม่จดบัญชีก็ตอนนี้เราทําเป็นกุศลกรรมของดีเราทําแล้วแค่นี้ก็พอแล้วไม่เป็นความจริง กล้าเสียไหมล่ะคุณแน่ใจว่าคุณมีปัญญาไหมถูกล้างสมองหรือเปล่าคนในโลกก็บอกโง่ทาอะไรไม่ได้เงินเด็ดทองดูจะมาใช้ฟรีๆไม่ให้ใช้เราใช้ตัวเราเองด้วยเราช่วมร่วมคิดด้วยเราเห็นดีด้วยเราเป็นทั้งกรรมการช่วยคิดช่วยทําลงแรงลงทุนทําทั้งคิดทั้งทําแรงกายก็ใช้แรงสมองก็ใช้ทําก็ทําไปในโลกนี้เสร็จแล้วเราก็จะตายไปจากโลก เราสบายแล้วเราบอกเรารู้ชีวิตของเราสุขภาพแรงกายเราก็มีไม่ต้องไปโออารู้ราวเมืนอย่างโลกเราก็ไม่เสียดายเราไม่ปมีปมด้อยอะไรคุณกล้าไหมกล้ามากถ้าไม่กล้าไปที่โลกเขาจะทำเ ง, งินเยอะไปไปสำนักที่เขาสอนให้ไปอย่างลาบอย่างยศกันเยอะแต่สํานักนี้ไม่เอาไม่สอนให้อย่างลาบอย่างยศให้บายมาด้วย เลิกมาก เ, เลิกออกมาหลุดออกมาบายนี่ไหมเขามาปล่อยให้ให้เขาไปเราไม่เอามาเลิกกับาเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นคนอย่างนี้ได้ต้องกินน้อยใช้น้อยต้องเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ลงมาจริงๆนะเมื่ออยู่อย่างนี้เนี่ยแต่ใช้แรงงานมากนะกินก็ น, น้อยใช้ก็ น, น้อยอนี่โรงงานทาสรู้บป่าที่นี่โรงงานทา น้ำเปี่ยวน้ำหวานก็ไม่เคยเอามาอ่อยให้กินเลยนะเนกินกินไปกินตอนนี้ใครก็เอามาถวายก็มีมาก็กินไปเป็นเป็นอาหารกินแล้วเลิกไม่ต้องกินเล่นกินหัวเดี๋ยวมาน้ําขวดเดี๋ยวเอาโกแฟรโอเลี่ยงไม่มีนี่ไม่มีโรงงานพาดกระดูกมากจยากกินหนุ่นน้ําแขงกรองให้พยายามทําให้สะอาดไม่ให้มีเชื้อโรคให้ดีๆกินแล้วก็ รักษาร่างกายสุขภาพ น, น่นนำแทงเดินไปกินเองด้วยไม่ถวายหิวไปเดินไปตักกินเองมีกระป๋องให้มีก๊อกให้กระดูกกระดูกนะเนี่ยโรงงานทานเนี่ยแต่โรงงานทานนี้ไม่ป้องกันล้อไม่มีรั้วรอบขอบชิดจนกระทั่งหว้ใส่กุญแจขังไว้ตลอดไม่คุณเดินออกไปเมื่อไหรได้ทันทีเลยถ้าไม่พอใจเดินไปเลย หันมายิ้มก่อนสองทีแล้วก็เดินลงไปอย่างเยยหยันก็ได้ได้ไม่มีปัญหาอะไรเลยสบายมากโรงงานทาสที่นี่อิสระเซรีจะยินดีมาเป็นทาสเป็นคนงานทาสที่นี่ก็เข้ามาสิจะยินดีเข้ามาเข้ามาไม่ยินดีออกไปไปได้เลยลักษณะอธิบายมันคล้ายๆกันโรงงานทาสจริงๆเพราะไม่มีไม่จ้างอะไรเราที่นี่ไม่จ้างะยินดีมาทำก็มาทำ ถ้าทาไปไหนคุณก็รู้เองว่าทำไปไหนไปค้าไปขายให้ใครใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนได้รับส่วนได้คุณดูเอาเองเลยติดตามไม่ดีให้ละเอียดละออนนี่ล่ะศาสนานี่ละธรรมะอัตมาเปิดเผยอธิบายศีลก็แล้วก็มันก็จะเป็นอย่างนี้นี่เป็นผู้บรรลุพร ม, มจรัญคําพูดเหล่านี้ขอยืนยันว่าไม่ใช่มุสาวาตไม่ช่ผิดศีลข้อที่สแล้วก็ไม่ได้รอกให้คุณมอมเมาไม่ใช่ข้อที่ห้า ไมจะสียนข้อที่ห่หลอกล่อคุณมองเมาเสพติดไม่ติดเราทําแล้วก็ทําสบายๆไม่ได้ติดไม่ต้องไปคิดนอนฝันโอ้จะต้องเป็นด้วยเอาด้วยมีด้วยอยู่จะตอดเวลาไม่ปลดปล่อยทํางานก็ทําดีก็ดีอย่าไปหลงดีแม้แต่ดีก็ไม่ต้องติดดีอันนี้เราสอนให้มันหลุดมาจากชั่วก่อนให้มันหลุดมาจากทุกข์ก่อนแล้วมาอยู่กับสบายชอบใจพอใจแล้วก็มาทิ้งพอใจอีกทีแต่มาพอใจในดีไม่เป็นไรหรอก เขาจะติดใจแหมมันและเกินทําดีเนี่ยแล้วก็พอใจอยากจะทําดีนอีกจะเกิดมาอีก500ชาติมาทําดีอีกอันมาไม่เกียงนะไม่เกียงอ่ะคนนี้แหมขยันทําดีมีสิ่งที่ทําดีไม่ไม่ยอมไ ม, อม่ยอมอลาหันนะจะยอมเกิดมาทําดีนี่อีก500รชาตินิมนต์โลกต้องการเหมือนกันคนอย่างนี้แต่ถ้าคุณจะอลาหันได้ก็อบอกว่าจะไม่ติดมันเลยติดมาอีกคุณก็เกิดอีกคุณจะอรหันหยุดเออหยุดให้ได้ห ย, ดไดหยุดได้แล้วคุณก็สูญอลาหัน ทำดีไอ้ชั่วนี่ยทิ้งไปแล้วไอด้ดีทำดีแล้วแล้วก็ไม่ติดดีอีกปล่อยดีแล้วคนก็เลิกเกิดก็ไม่ว่านี่เรามีทุกอย่างเลยมีวิธีการให้อย่างจริงๆจึ ง, จร ง, จรงเรียกว่าหลุดพ้นแท้เป็นอรหันได้จะเป็นโพธสัตโพธิสัตว์ต่ออีกก็ได้จริงอย่างนี้นอธิบายศีนี่ถึงอรหันและโพธิสัตว์แล้วศีลก็หแค่นั้นไม่เซ็มไม่ติดไม่มองไม่เมาถึงศีลก็หแค่นั้น เน่ยคุณได้ฟังศีนบ้างนะสีลวันนี้ก็อธิบายโลดโผนพิสดาร น, น่าดูใครฟังทันก็ฟังฟังไม่ทันก็ขออภัยอาจจะลึกซึ้งเลือกาผาดโผนพิศดานมากหน่อยแต่ใครฟังเห็นเหตุเห็นผลถูกต้องเลยมีความหมายเชื่อมโยงกันอยู่ไม่ได้พูดโมเมคุณฟังได้แล้วพิสดารแล้วเข้าใจลึกซึ้งดีว่าโอ้อย่างางี้อย่างนี้ต้องศึกษาสิอย่างนี้ต้องฟังและอย่างนี้ต้องออกปฏิบัติและก็มาถ้าฟังแล้วบอกว่าไม่ได้ ถ้าเลยเอาแพะชนแกะอะไรก็ไม่รู้อธิบายศีลแล้วเเทอรโมเมชั่นไม่ฟังแล้วไม่เอาแล้วไม่ศึกษาอาตมาก็ไม่ว่าแล้วก็ไม่ได้น้อยใจอะไรหรอกก็อาตมาก็ขออภัยที่อาตมาไม่เก่งอธิบายให้คุณฟังให้ได้เข้าใจดีกว่านี้ไม่ได้ส่วนคนที่เข้าใจดีได้ก็ขออนุโมทนาแล้วก็จะเกิดศรัทธาเลื่อมใสเพื่อที่จะมาฝึกปลือปรับปรุงตนตามทิศทางที่อาตมาว่าก็เชิญแล้วจะมาได้สบาย อาตมาว่าอาตมาเอาอย่างพระพุทธเจ้าถ้าคุณจะมาเอาอย่างพระพุทธเจ้าด้วยกันก็อาตมาหรือมาเอาอย่างอาตมาที่เป็นคนสมัยนี้พิสูจน์ไม่ใช่ 2,500 กว่าปีเชื่อแน่ว่าเออจริงอาตมานี่ทําเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าทําเหมือนกันเลยนะแล้วก็จะมาเอาตามอย่างอาตมาด้วยแล้วก็มันก็เหมือนพระพุทธเจ้าด้วยนั่นแหละก็มาเอาเองของใครของมันอ้าวอาตมาได้แสดงธรรมพอสมควรในวันนี้